ดีดีธรรมบัญญายชุดช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในถ้ำกลางประชาคมโลกโดยรับพรมคุณาพรปอประยุตโตวัดยา น, นเวศสสั ก, กวรรณตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สิบสามการพัฒนาที่ยั่งยืน บรรยายเมื่อวันที่ยี่สิบกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดขอเรียนรู้กับขอประธานาธิบดีด้านเกิออดการน้าเป็นหนาครับผมกราบขออัินาพุทธคุณเจ้าเพื่อโปรดแสดงสัมโมทมียัคกถาในหัวข้อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันขอเจริญพร เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่ก็เป็นปัญหาสำหรับโลกนี้ที่รู้จนหนักกันขึ้นมาสิบกว่าปีแล้วหมายความว่าเกิดคำนี้ขึ้นมาประมาณสิบกว่าปีแต่แท้จริงนั้นปัญหามันสะสมมานานคือโลกมนุษย์เราก็เรับกันว่าเราได้พัฒนาเจริญก้าวหน้ามามากแต่ว่าความเจริญที่เป็นมาส่วนใหญ่ก็เป็นไปนทางด้านวัตถุ ที่เรารวมอยู่ในคำว่าเศรษฐกิจเราต้องการความมั่งคัง่งคั่งพร้อมมีวัตถุเสบบริโภคอย่างบริบูรณ์แล้วเราก็มีความเจริญนิมาโดยเฉพาะด้นอุตสาหกรรมนี้พอมาถึงระยะหนึ่งนี่ก็ประมาณสักสามสิบปีมานี้เองประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมก็เริ่มเกิดความรู้ตัวว่าจะเกิดมีปัญหาขึ้นมาซึ่งมีความกระทบกระเทือนต่อ อยู่ดีมีสุขของสังคมมนุษย์ปัญหานั้นก็มาจากธรรมชาติแวดล้อมที่มันเสื่อมโทรมเสียหายทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอลงไปมันก็เกิดมลภาวะทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ธรรมชาติเนี้ยที่มันเป็นปัญหาก็คือว่ามันส่งผลกระทบมาที่มนุษย์นั่นเองเรถือว่าเมื่อธรรมชาติเสื่อมโทรมไปมนุษย์ก็เดือดร้อนเพราะว่าชีวิตมนุษย์ต้องอาศัยธรรมชาติ ตังแต่อากาศน้ำเป็นต้นถ้าสิ่งเหล่านี้เสียไปแล้วก็ชีวิตมนุษย์ก็อยู่ดีมีสุขไม่ได้อากาศไม่บริสุทธิ์เป็นต้นนี่ก็เกิดโรคภยัยแค่เจ็บอันนี้มนุษย์ก็เริ่มก็หนักถึงปัญหาขึ้นมาก็เริ่มมีการประชุมแม้แต่ระดับโลกพอตื่นตัวขึ้นโดยเฉพาะในอเมริกาแล้วต่อมาอีกไม่กี่ปีก็กระจายไปทั่วโลกเริ่มมีการประชุมระดับโลกขึ้นมาก็ถึงเดี๋ยวนี้ก็ ยี่สิบหกปีแล้วคือประชุมันเมื่อปีสองพันหรอยสิบห้าเราเรียกว่าเออจำปิดก็เป็นการประชุมสุดยอดครั้งที่หนึ่งนี้รู้ปัญหาก็ยังหาทางแก้กันไม่ได้จนกระทั่งมาถึงสมานพศสองพันร้อยสามสิบก็จึงได้หาทางกันมาแล้วก็มาลงวติกันว่ากระบวนการที่พัฒนาที่ผ่านวันนี้มันเป็นตัวตอปัญหา ก็เลยเรียกการพัฒนาที่ผ่านมาว่าไม่ยั่งยืนถ้าเราขืนพัฒนาต่อไปอย่างนั้นแล้วก็โลกนี้จะต้องวิบัติแน่ๆทีนี้เมื่อการพัฒนาที่ผ่านมาไม่ยั่งยืนแล้วตัวอะไรเป็นเหตุให้ไม่ยั่งยืนมันก็จะต้องแก้ไขเพื่อจะให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงนั้นแหละที่เกิดคาว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ sustainable d e v น l o p m e n t ่ขึ้นมานี้สรุปใจความก็คือบอกว่า การพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นเน้นเรื่องความเจริญเติบโตความทั้งพร้อมทางวัตถุคือว่าให้เศรษฐกิจเนี่ยมีความทั้งพร้อมทีนี้เศรษฐกิจนี้เราเจริญมาได้อย่างไรก็บอกว่าเบื้องหลังความเจริญทางเศรษฐกิจก็คือกระบวนการอุตสาหกรรมแต่อุตสาหกรรมก็โยงไปที่เรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมายความว่าวิทยาศาสตร์มาหนุนเทคโนโลยีเทคโนโลยีก็หนุนอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็มาหนุนเศรษฐกิจ ผลออกมาก็คือว่ากระบวนการทั้งหมดเนี้ไปทําลายธรรมชาติพอไปทำลายธรรมชาติแล้วแม้จะเป็นความเจริญแต่ก็เป็นความเดือดร้อนแก่มนุษย์เองเพราะนั้นก็จะต้องแก้ไขอันเนี้ย น, นี้ตัวจุดสําคัญก็คือเศรษฐกิจที่เจริญทั้งรอบและอีกด้านหนึ่งที่เป็นตัวปัญหาก็คือธรรมชาติแวดล้อมถูกกระทกกบกระเทืนเสียหายเพราะนั้นตรงเนี้ย ก็จะต้องทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจนี้ดำเนินไปโดยไม่ไปส่งผลกระทบเสียหายต่อสิ่งแวดแล้อมจะทำอย่างไร <Okay. S 1> ก็มีมติในการประชุมบอกว่าให้จับไอเจ้าสองตัวเนี้แต่งงานกันซะคือให้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจหรือด้านอ e ีคอนมีเนี่ยกับด้านนิเวศวิทยาหรือระบบนิเวศในเกับเรื่องของอีคอลจีเนี่ยมันมาประสานกัน มาเกื้อหนุนกันแผน ท, ที่จะเป็นปฏิปักษ์ทำลายกันอย่างที่เป็นมาฉะนั้นความคิดก็มาจบที่นี่ยคือด้านหนึ่งก็คือเศรษฐกิจอีกคอนดมีและอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมระบบนิเวศเรื่องของนิเวศวิทยาอีคอนอมี่สองอย่างนี้ถ้าให้ไปด้วยกันได้ก็แปลว่าแก้ปัญหาได้แต่ว่าเบื้องหลังจากนี้มันก็มีเรื่องของกระ บ, บวนการพัฒนาของมนุษย์มันไปที่วิทยาศาสต ร, ร์เทคโนโลยีอศาสาหกรรมหมดเลย ใ น, นกระบวนการพัฒนาที่ผ่านมานี่เราเอาวิทยาศาสต ร, ร์การเทคโนโลยีมาสนองหรือรับใช้อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็ทําให้เกิดผลทางเศรษฐกิจก็กระบวนการอุตสาหกรรมเนี่เป็นตัวก่อเหตุที่สําคัญอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็เลยว่าเราจะต้องพยายามแก้ไขปัญหานี้ทีนี้พอรู้ตระหนักอย่างนี้แล้วก็ประกาศออกไปนยพยายามให้ทั่วโลกได้ช่วยเหลือกัน ในการที่จะทําให้เกิดผลอย่างนี้แต่ะว่ามติอีกอย่างหนึ่งในเรื่องการแก้ไขปัญหาการพัฒนาไม่ยั่งยืนก็บอกว่าในที่สุดในปัญหามาจากคนเมื่อปัญหาจากคนคนเป็นผู้ก่อผู้สร้างมันก็จะต้องมีการพัฒนาคนให้ถูกต้องด้วยดังแนวคิดที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องนี้ก็คือว่าในการที่จะแก้ปัญหาเพื่อจะให้เศรษฐกิจกากด้านนิเวศเนี่ยเข้ากันได้เนี่ยเราจะต้องมาพัฒนา การพัฒนาคนก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ก็มาเน้นเรื่องการพัฒนามนุษย์เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านต่างๆกันมาเรื่อยอันนี้ปัญหาของมนุษย์นี่ทั้งที่รู้เนี่ยแต่มันแก้ไม่ตกปรากฏว่าเรารู้ว่าเราจะต้องแก้ปัญหาอย่างเนี้แต่เอาข้อจริงในทางปฏิบัติผลไม่สาเร็จสูจนได้ง่ายๆก็คือว่าที่พูดเมื่อกี้เราประชุมสุดยอด ของโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อปี2515ถ้าต่อมาอีก20ปีคือปี2535หรือ1992ทั่วโลกก็มีการประชุมเอ r t ์ s ซ m m i ิตครั้งที่สองการประชุมคั้งนี้ก็สรุปผลออกมาบอกว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมานับแต่การประชุมสุดยอดครั้งที่หนึ่งเนี่ยสภาวะในทางนิเวศหรือธรรมชาติเดล้อมของโลกเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยแต่กลับเสื่อมซุดลงไปได้รับ อันนี้ก็แสดงว่ามนุษย์นี่รู้ปัญหาแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อาจจะเป็นไปนได้ว่าได้ช่วยแก้ปัญหาได้บ้างความรู้ไม่ใช่ปล่าประโยชน์เลยแต่ว่ามันเพียนผ่อนเบาอัตราความเร็วในความเสื่อมโทรมให้น้อยลงไปให้ช้าลงไปแต่ก็คือการที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้นั่นเองนี่เรื่องอารยธรรมมนุษย์อย่างนี้ก็กลายเป็นว่าอริยธรรมนี้ก็จะไม่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาที่ไม่ยังอยืนนี่หมายถึงอารยธรรมที่ไม่ยังอยู่ เพราะว่าเมื่อธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทรเสียหายแล้วส่งผลกระทบมาให้โลกนี้เป็นโลกที่อยู่อาศัยไม่ได้มนุษย์เองก็จะจบอายธรรมก็จะจบก็จะเหมือนกับอายธรรมโบราณที่ว่ามีมามากมายที่อารยธรรมหลายแห่งหลายสังคมในอดีตที่ในที่สุดก็ต้องสลายล่มไปเพราะเรื่องของธรรมชาติแวดล้อมเสียอันนี้ก็มีตัวอย่างในอดีตมาเรื่อย แต่ว่าเพราะในอดีตเนี่ยอารยธรรมจะอยู่ในขอบเขตที่จํากัดเพราะฉะนั้นเมื่อลมสลายไปก็เป็นจุดนั้นแล้วก็คนก็อาจจะ อ, อพยพหรือคนในถิ่นอื่นก็สร้างอารยธรรมเจะเลยลุกโือ่ขึ้นมาใหม่แต่ถิ่นนี้ก็เปลี่ยนไปถิ่นโน้นอารยธรรมก็ย้ายถิ่นไปแต่นี้ตอนนี้มันเป็นอารยธรรมเดียวกันทั้งโลกอย่างที่เราพูดปัจจุบันว่าโลกอารยธรรมความจเจริญมาถึงกันทั้งหมดคราวนี้มันอารยธรรมโลกแล้วพอสลายคราวนี้มันจะสลายทั้งโลกแล้วไม่ใช่สลายเป็นอารยธรรม แต่ละทิศอย่างสมัยก่อนเพะฉะนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญออ่มนุษย์บางพวกก็คิดว่าเราจะต้องไปสร้างเป็นคล้ายๆว่าอนาณาณิคมหรือว่าดินแดนใหม่บุกเบิกในแดนอวกาศเช่นปฟาดาวางราะห์แต่ตนอย่างที่บางพวกใฝ่ฝันอยู่แต่ก็เป็นไปได้สำเร็จได้ ย, ยากคนส่วนมากก็ไม่ได้เห็นด้วยว่ามันจะเป็นไปได้ ก็ที่จริงก็คือว่าเราก็ต้องแก้ปัญหาที่นี่สำเร็จถ้าหากว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาที่นี่ถึงเราไปสร้างอาณาณิคมหรือดินแดนใหม่ในโลกอื่นเดี๋ยวเราก็ต้องไปทําลายธรรมชาติแวดล้อมที่นั่นหรือสร้างปัญหาใหม่ในอีกแบบหนึ่งและก็าอารยธรรมที่นั่นก็จบเช่นเดียวกันถ้ากว่าเราจะแก้ปัญหาหสําเร็จเราต้องพัฒนาความสามารถที่แก้ปัญหาได้ตั้งแต่บัดนี้แล้วเราจะมีความมาั่นใจไม่ว่าเราจะอยู่ที่นี่หรือไปไหนเราก็จะสามารถเป็นผู้ที่ แก้ปัญหาได้หรือไม่ก่อปัญหาเราจะสร้างสารรค์ความเจริญได้อย่างแท้จริงฉะนั้นเรื่องของอาริยธรรมที่ผ่านมานี้โดยสรุปก็เราได้พูดไลยว่าเป็นอาริยธรรมที่เป็นปฏิปักษต่อธรรมชาติก็หมายความว่าก็เป็นอาริยธรรมทํำลายโลกนั่นเองคือมนุษย์อยู่กับโลกแต่ว่าอยู่กับโลกอยากเป็นปฏิปักษต่อมันเพราะนั้นทําไงจะให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในโลกได้ได้ดีเราก็ต้องมาคิดแก้ปัญหาการทนี้อย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้ว่า ปัญหารู้ตระหนักกันมาตั้งหลายสิบปีแล้วก็ยังแก้ไม่ได้แล้วก็กลับส่วนซุดลงไปอันนี้ก็ต้องพิจารณาว่าเป็นเพราะอะไรก็เราพูดได้อย่างหนึ่งว่าที่แล้วมานั้นเราเป็นเน้นการแก้ปัญหาในระดับปฏิบัติการแต่ว่าไม่แก้ปัญหาให้ลึกซึ้งลงไปอีกเพราะการแก้ปัญหาที่แท้จริงนั้นมันจะต้องลงไปถึงด้านแนวความคิดด้วยคนเรานี่ไม่ได้อยู่แค่การประพฤติปฏิบัติตัวภายนอกเท่านั้น ม speed, ion, ันมีจิตใจมีความคิดแล้วก็พฤติกรรมการแสดงออกการปฏิบัติที่ออกมาภายนอกเนี่ยมันก็มาจากความคิดจิตใจนั่นเองนี้ถ้าหาว่าเราแก้ปัญหาในจิตใจไม่ได้ในที่สุดมันก็แก้ปัญหาภายนอกไม่ได้เช่นว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความเจริญอย่างไรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสุขอย่างไรความเข้าใจเกี่ยวกับอิสรภาพอย่างไรเป็นต้นเราก็ต้องทําไปตามความคิดความเข้าใจอย่างนั้นเรานึกว่ามีวัตถุเจริญบางข้างคือ ควาจเจริญวันมีวัตถุพลังพร้อมได้เศษบริบูรณ์คือความสุขพอเราคิดเข้าใจอย่างนี้แล้วพฤติกรรมก็ต้องออกมาเพื่อสนองความต้องการและแนวคิดอย่างนั้นนี้ถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแนวคิดความเข้าใจแล้วในการพัฒนาแบบนี้มันก็ต้องดําเนินต่อไปอย่างน้อยมันก็ฝืนใจก็มีความทุกข์มันก็ไม่ประสานสอดคล้องการแก้ปัญหาที่จะได้ผลดีนั้นมันต้องประสานสอดคล้องกันนี้ตอนนี้เรามาเกิดภาวะวิกฤตในทางเศรษฐกษิจเริ่มตั้งแต่วิกฤตในเอเชียเนี่ย ในแง่หนึ่งมันก็มาช่วยเตือนใจเราให้รู้ว่าอ้อนี่นะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงอันตรายที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่นแต่คนส่วนมากเนี่ยมักจะมองวิกฤตนี้แต่ในแง่เศรษฐกิจอย่างเดียวความจริงนั้นปัญหาเนี่ยมันโยงกันไปหมดมันโยงไปถึง ส, ญญาสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าการที่มนุษย์จะมาพัฒนาเศรษฐกิจเช่นอย่างอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องไปเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติในกระบวนการสัมพันธ์กันในเรื่องของการหาวัตถุดิบ เป็นต้นเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกว่ามันออกมาเป็นสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันแม้แต่เรื่องของการที่มีการคาเสรีการที่ว่าจะมีระบบแข่งขันก็การคาเสรีก็มีความสัมพันธ์กับระบบแข่งขันคือว่าการคาเสรีนั่นแหละเป็นตัวที่จะช่วยให้ระบบแข่งขันดําเนินไปไนดะ้เนี่ยก็กลายเปว่าต่อจากนั้นก็แนวคิดตะวันตกก็คือการแข่งขันอย่างเสรีเพราะว่าเราต้องการให้การคาเสรีเป็นการ ค้าที่ยุติธรรมหรือเป็นธรรมด้วยก็มีคำพูดทํานองว่าต้องให้การค้าหรือเทรดนี่ทั้งฟรีและทั้งแฝงให้เป็นฟรีด้วยแล้วฟรีแอนด์แฝงเทรดปัญหาก็คือว่าฟรีแล้วมันแฟงจริงหรือเปล่าถ้าฟรีฟรีแล้วไม่แฟงมันก็จะเป็นฟรีเพื่อจะได้โอกาสในการที่จะเอาเปรียบซึ่งกันและกันได้ง่ายดีขึ้นฟรีก็เปิดทางให้การเอารัดอารี อันนี้ก็ต้องมีความเสมอภาคกับมาความเสรีภาพต้องมากับความเสมอภาคอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนบางทีการที่มาทำให้เกิดความเสมอภาคและการทาเสรีถ้าทำไม่ดีเนี่ยบางทีมันกลายเป็นว่าเป็นเครื่องอ้างเป็นข้ออ้างในการที่จะได้เปรียบกันยิขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่ซ้อนเลนที่จะต้องพูดกันยาวนานแต่ว่ารวมความก็คือว่าในเมื่อมนุษย์เนี่ย มาแข่งขันกันในการสร้างความปเป็ิศทางเศรษฐกิจในที่สุดเราก็ต้องยิ่งเอาใจธรรมชาติมากที่ธรรมชาติก็ยิ่งเสื่อนโซรมแนวการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การค้าในระดับโลกปัจจุบันเนี่ยเวลาทํากันไปทั้ง ท, งท้งที่รู้ปัญหาว่าปัญหาของโลกที่แท้เวลานี้คือปัญหาเรื่องธรรมชาติแวดล้อมที่มันเสือ่อมโทรมเราจะต้องให้เกิดการพัฒนาที่ ย, ยั่งยืนแต่เวลาเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยเราไม่ค่อยไปคิดถึงเรื่องนี้เลยเอาละ วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในแง่หนึ่งก็เป็นสัญญาณที่เตือนเราแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ความรู้สึกนึกคิดประการที่สองก็คือว่ามันเป็นโอกาสอย่างที่เราชอบพูดว่าวิกฤตเป็นโอกาสในแง่นี้วิกฤตทางเศรษฐกิจก็เป็นโอกาสในการแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนด้วยคือว่าทําไงในตอนเนี้เราต้องวางแนวทางนโยบายเศรษฐกิจใหม่ก็ถือโอกาสซะเลยวางแนวทางนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ ใหม่ในลักษณะที่มันเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วยเลยแต่ทว่าตอนนี้เราก็จะมัวแต่คิดกังวลแต่ในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินทองเรื่องวัตถุสิ่งของอย่างเดียวจนกระทั่งเราก็เลยลืมอีกแหละพอเรามาคิดแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าเราก็มองแต่ในแง่ของการที่จะหาเงินหาทองทางําไงจะพ้นจากความเป็นหนี้อะไรหาเงินมาใช้นี่ก็คิดแต่ในแง่เนี้เราก็ไม่ได้ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนให้มันได้ผลดี คิดว่าถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์ก็ได้ผลมากโดยเฉพาะอย่างประเทศไทยนี่เราเห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจพื้นฐานเรานี่เป็นเศรษฐกิจการเกษตรพอเราเห็นว่าอุตสาหาการรมพวกเรานี่ไปไม่รอดตอนนี้เราชะ ง, งักเลยการที่เป็นเสือมาตั้งแต่ประมาณปีหนึ่งเก้าเก้าหกตอนนี้เราเป็นแมวก็ไม่ได้อะไรทําน่างนี้นี้ก็เราก็ไม่ได้เป็นนึกในแง่จะเป็นนี่เป็นเสืออะไรเราก็มาคิดแต่ว่าจะทําไงจะเอาตัวให้รอดพ้นไปจากภาวะที่ ล่มจมทางเศรษฐกิจหรือย่อยยับอันนี้ให้ได้เท่านั้นเองอันนี้ตอนเนี้ยเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองเราฐานของเราดีที่ว่ามีการเกษตรมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยนี้เราก็ต้องจําเป็นโดยความจำเป็นบังคับอย่างหนึ่งแล้วก็หานมาทางเศรษฐกิจแม้ทางด้านการเกษตรแล้วเราก็มาคิดถึงการที่จะมีการส่งเสริมการเกษตรมีการ พัฒนาเศรษฐกิจแบบว่าให้พึ่งตัวเองได้อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งถ้ า, าว่าเรานำและนำแนวความคิดเรื่องของการพัฒนาที่ยัง่งยืนมาเสริมเนี่ยโดยทําให้ชัดเนี่ยก็จะคอ ย, ยได้ประโยชน์สองอย่างประเด็วกันจริงอยู่โดยเหตุการณ์รบังคับแล้วเราหันไปหาการกเกษตรเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์ไปได้ในตัวแต่เป็นไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งไม่ได้ผลเต็มที่นี่ถ้าเรารู้ตระหนักแล้วเราก็นํามาใช้ประโยชน์วางแผนให้สอดคล้องตอนเนี้ก็จะ เป็นความเจริญที่ยั่งยืนและอา จ, จว่าประเทศไทยนี่คิดแตในแง่ฝันๆก็ได้อาจจะเป็นแบบอย่างของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องมาคิดกันให้จริงจังและใช้ประโยชน์จากสถานการณ์แต่ว่าในการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะยาวก็ตามในที่สุดเนี่ยก็จะต้องอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าต้องมีการแก้ปัญหาทั้งสองระดับก็คือแก้ปัญหาทั้งระดับปฏิบัติการและระดับรากฐานความคิด ที่เราพูดกันเมื่อกี้อย่งใช้วิกฤตเป็นโอกาสเราแก้ปัญหานโยบายอะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยในการที่ว่ามาส่งเสริมการเกษตรหรือว่าพึ่งตัวได้แล้วก็มาจัดสรรเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ดีไปด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเป็นระดับปฏิบัติการนี่จะให้ได้ผลจริงก็ต้องลงไปถึงรากฐานความคิดถ้าแนวความคิดไม่เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไม่ไหวเพราะว่าคนก็จะต้องมุ่งไปที่หาสิ่งเสรบริโภคให้พร่างพร้อม บริบูรณ์ซึ่งก็หมายถึงการไปเดียดเวเพียนที่ว่าทําลายธรรมชาติต่อไปเพราะนั้นตอนนี้เราจะต้องมองไปถึงเรื่องของปัญหาพื้นฐานรากฐานของอรยธรรมซึ่งตอนตกเองเขาก็ยอมรับว่าในแง่ของแนวคิดนั้นอรยธรรมตอนตกนั้นตั้งอยู่บทฐานของแนวคิดที่เรียกว่าพิจิตธรรมชาติคือเขาคิดว่าเมื่อไรมนุษย์เอาชนะธรรมชาติได้สามารถ จัดการกับธรรมชาติได้ตามใจปรารถนาเมื่อนั้นก็คือความสุขสมบูรณ์และความสำเร็จของมนุษย์เขาถืองี้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วแล้วเขาก็มีความภูมิใจว่าแนวคิดนี้แหละเป็นเบื้องหลังแห่งการสร้างสารรค์ความเจริญของเขาโดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอนนี้พหลังก็มารู้ตัวว่าที่ผ่านมานั้นตัวเองคิดผิดนเวลานี้ การที่เขาคิดเแบบพิจิตธรรมชาตินั้นก็กลายเป็นทําลายธรรมชาติข่มเหงแรงแก่ธรรมชาติแล้วก็เกิดผลร้ายต่อสังคมมนุษย์เองแต่ตอนนี้ก็เป็นอันว่าจะต้องแก้ไขแนวคิดพิจิตธรรมชาติเพราะจึง ต, ต้องมีการสอนกันว่าให้มองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติพยายามที่ให้กลมกลืนกับธรรมชาตินี่แนวคิดนี้จะมาเด่นในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดลอ้อมหรืออนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยแต่นี้ตอนนี้ก็ย่ากันมากแต่ว่า มันเป็นการแสดงถึงการที่อาริยธรรมตอนตกเนี่ยมองมนุษย์แยกจัดธรรมชาติเป็นคนละฝ่ายจนกระทั่งเป็นปฏิบัติกันจะไปพิชิตเอาชนะซึ่งกันละกันแต่แค่นี้มันยังไม่พอหรอกเรื่อที่พิชิตธรรมชาตินั้นเพื่ออะไรก็คือเพื่อจะได้หนึ่งก็ให้มนุษย์เป็นอิสระรอดพ้นจากการครอบงำธรรมชาติแต่สองนั่นก็คือว่าจะได้จัดการกับธรรมชาติตามชอบใจนี้จัดการกับธรรมชาติตามชอบใจคืออะไรก็คือว่า มนุษย์นั้นต้องอาศัยทรัพยากรวัตถุดิบเป็นต้นสิ่งเสพบริโภคก็มาจากธรรมชาติาก็คือมนุษย์เนี่ยเมื่อจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจก็จะได้เอาธรรมชาติเนี่ยมาใช้จัดสรรเช่นเป็นวัตถุดิบเป็นต้นในกระบวนการสาหกรรมในี่ยมาผลิตสิ่งเสพบริโภคให้มนุษย์ได้บริโภคได้เสพอ ย, ายา่างอุดมสมบูรณ์อันนี้ก็หมายความว่ามนุษย์เชื่อว่าความสุขของตนเนี่ยอยู่ที่การได้เสพบริโภค แต่มีวัตถุทั้งพร้อมบำรุงบำรุตัวเองและความสุขอยู่ที่การเสพสิ่งบริโภคทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อที่สําคัญที่ว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วมันก็ไปยันเกินแนวพิจิตรธรรมชาติที่ว่าเอ๊ะก็ถ้าเราถือว่าเราจะมีความสุขต่อเมื่อเรามีวัตถุเสพบริโภคทั้งพร้อมบริบูอ้าวแล้วเราจะไม่พิจิตธรรมชาติไป้ยังไงถ้าเราไม่พิชิตจัดการกับธรรมชาติเราก็ไม่มีวัตถุดิบเป็นต้นที่จะมาสร้าง ผลิตภัณฑ์สิ่งบริโภคเราก็ไม่สามารถมีความสุขตอนนี้อายุธรรมตะวันตกแนวคิดในการที่จะแก้ไขปัญหาธรรมชาติแวดล้อมหรือการที่จะทําให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนก็เลยติดกันตรงนี้ติดตันที่ว่าเอ๊ะก็ถ้าเราไม่พิจิตธรรมชาติมนุษย์ก็ไม่มีความสุขเป็นนี้ตกลงว่าตอนนี้แนวคิดสองอย่างนี้เป็นตัวปัญหาที่สําคัญคือห่งการที่จะเอาชนะธรรมชาติและสองการที่มองความหมายความสุขว่าอยู่ที่การมีสิ่งเจ็บ บริโภคขั้งพร้อมบริบูรณ์คะแนนตอนนี้ก็เือการที่ว่าเราจะต้องมาแก้ปัญหาขั้นรากฐานความคิดที่ว่าเนี่ยซึ่งตอนตกยังไม่มีคําตอบปัญหาก็อยู่ที่ว่าแล้วเราเร า, เรามีคําตอบไหเราต้องมีความมั่นใจว่าเรามีคําตอบอันนี้จะมาก็คิดว่าตอนนี้เราจะต้องมาเน้นเรื่องเนี้ยคือว่าอย่าไปติดอยู่แค่การแก้ปัญหาระดับปฏิบัติการต้องมาถึงฐานความคิด ซึ่รักฐานของอริยธรรมและเปรักฐานของปฏิบัติการนั้นด้วยนี้ตะวันตกเวลานี้เพราะว่ารู้ตัวอยู่ว่าฐานความคิดผิดแต่ไม่รู้จะแก้อย่างไรเพราะว่าความสุขมันอยู่ที่นั่นนะ่ยความหมามอยู่ที่นั่นแล้วจะไปแก้อย่างไรทีนี้เขาก็เลยใช้เน้นความสําคัญของจริยธรรมตอนนี้ตะวันตกก็จะมาเน้นว่าจะต้องให้คนมีจริยธรรมที่ว่าพัฒนาคนก็คือต้องให้คนมีจริยธรรม ไม่รังแกธรรมชาติตอนนี้จริยธรรมก็เลยมีบทบาทขึ้นมามากมายในสังคมตอนตกเข้ามาเป็นวิชาเรียนในมหาวิทยาลัยมาเป็นแม้แต่จริยธรรมธุรกิจธุรกิจปัจจุบันนี้ก็จะมีการเน้นเรื่องของจริยธรรมมากเขาเรียกว่า business e t h i c จริยธรรมในทางธุรกิจยกมาเป็นวิชาเรียนในสถาบันที่มีการสอนในทางธุรกิจเนี่ยจะมีวิชา จริยธรรมธุรกิจเข้าไปนี่สถิติต่อหลังๆนี่ว่าไม่ต่ำกว่าเก้าสิบของสถาบันเหล่านั้นจะต้องมีการสอนจริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมอีกอย่างหนึ่งก็พ่วงกันด้วยก็คือจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหรือ environmental ethics อันนี้ก็เป็นการที่ตะวันตกเน้นเรื่องจริยธรรม <Yeah. S 1> กาจริยธรรมก็เป็นเน้นเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ในการที่จะว่าอ้าวตอนนี้ก็ต้องปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่มีความยักยั้งช่างใจไม่เอาแต่ใจตัวเอง จะต้องยอมให้ธรรมชาติอยู่จะมาสนองความต้องการส่วนเองไม่เต็มเต็มที่ไม่ได้ทีนี้พอมีจริยธรรมแบบนี้มันก็เกิดปัญหาว่าก็คือการที่ว่าอ๋อมีจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมก็คือการที่เราจะต้องยอมยับยั้งตัวเองไม่ทําตามใจชอบที่ไม่ตามใจใจเข้าก็คือการที่ว่าเราไม่สามารถสนองความต้องการของเราเต็มที่เราก็ขาดความสุขสิเพราะฉะนั้นจริยธรรมของตะนตกในความหมายอย่างนี้เป็นจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก็ดี แล้วจิตก็ดีเนี่ยเป็นจริยธรรมที่ฝืนใจก็คือว่าเราต้องยอมอดความสุขหรือลดความสุขเพราะเหตุผลจําเป็นว่าเพื่อให้ธรรมชาติอยู่ได้แล้วเราก็พออยู่ไ ด, ด้อันนี้จริยธรรมแบบนี้ก็เป็นปัญหาเราเรียกว่าเป็นจริยธรรมที่ไม่ยัง่งยืนเพราะเป็นจริยธรรมแบบจําใจฝืนใจแล้วก็พยายามประนีประนอมตัวเองกับธรรมชาติให้ตัวเองก็ได้บ้างแต่ได้ไม่เต็มที่เพื่อยอมให้ธรรมชาติอยู่ ธรรมชาติก็ต้องยอมให้แก่มนุษย์บ้างเพื่อทำให้มนุษย์อยู่เขาเรียกว่าแบบระมระหนออก็มันก็ไม่ประสานกลมกลืนเขาเรียกว่าไม่เกิดฮาร์โมนี i, มันเป็นคอมพ r o มอ์เท่านั้นเพะน้ปัญหามันก็ติดขัดไปหมดตอนนี้ก็เลยบอกว่ า, าการพัฒนาที่ยั่งยืนมันก็เป็นประเทงนหลักการและเป้าหมายที่ต้องการแต่ว่าการปฏิบัตินั้นยังติดจันยังอับจนยังไม่มีทางออกก็ตอนนี้ก็จึงว่า เราจะต้องมีการที่สร้างแนว ค, คิดให้ถูกต้องการสร้างแนวคิดเป็นต้นให้ถูกต้องซึ่งจะมาเป็นรากฐานของจริยธรรมอีกทีหนึ่งจริยธรรมในความหมายตอนตกอย่างที่กล่าวแล้วว่าอยู่ที่พฤติกรรมในที่นี้เราบอกว่าจะต้องขยายความหมายจริยธรรมมาให้ถูกต้องที่ต้องครอบคลุมถึงความหมายทั้งจิตใจและทางปัญญาด้วยก า, ารพัฒนามนุษย์จะไปพัฒนาเฉพาะจริยธรรมไม่มีทางสําเร็จเพราะว่ามันจะมีความฝืนใจอย่างที่ว่า เมือ่อฝืนใจคนก็ไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ในจริยธรรมนั้นได้มันก็ต้องหาทางลำเมิดเพราะนั้นเราต้องพัฒนาทางด้านจิตใจทางด้านเช่นว่าความต้องการทางด้านความสุขแล้วก็พัฒนาปัญญาความรู้ความเข้าใจเพื่อจะสร้างแนวคิดใหม่ๆว่ามนุษย์นี่มีทางอื่นไหมที่ว่าจะปฏิบัติต่อธรรมชาติโดยไม่พิจิตธรรมชาติจะอยู่ได้ดีเนี่ย กับธรรมชาติโดยไม่พิจิตธรรมชาติจะทําอย่างไรก็ต้องมีปัญญาต้องสร้างแนวคิดใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าฝนหลังกําลังหาทางออกกันมากแม้แต่ที่มาสนใจพุทธศาสนาสนใจตะวันออกก็จะมีทางสร้างสรรค์แก้ปัญหาการพัฒนาแม่ย่างยืนได้อย่างไรพิทักษธรรมชาติได้อย่างไรเขาก็มามองว่าอ๋อตะวันออกนี้ชอบอยู่กับธรรมชาติ กลมเกิธรรมชาติก็เลยมาสนใจว่าเพื่อเขาจะศึกษาคนคฟ้าวิจัยแล้จะได้แนวคิดไปแก้ปัญหาของเขาตอนนี้ก็เช่นความหมายแนวคิดความเข้าใจเกีเ่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัอธรรมชาติจะทําอย่างไรถึงจะได้ผลดีแล้วก็ในแง่ของชีวิตมนุษย์เราจะมีความสุขได้อย่างไรความสุขอยู่ที่ไหนเตน้ตนเนี่ยก็ต้องพัฒนาคนให้ถูกต้องในการศึกษาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาถึงตัว สำคัญในการที่จะแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนให้ยั่งยืนก็คือเรื่องของการศึกษาที่ถูกต้องคราวนี้อาตมาก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนคือว่าเผื่อมีปัญหาอะไรก็จะได้คุยกัตนต่อไปบางคันผมไม่ต้องถามรู้สิท่านอาจารย์ตอบคือรวมอยู่ในนี้หมดเลย <c oughs> ใช่ไหมะเพราะว่าได้อันนั้นเป็นไกลแล้วที <c oughs> นี้ในจุดของที่มิตรเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่า ทางอาจารย์ที่ปรดธามเนี่ยการพัฒนาที่ยังยืนจะ เ, เป็นต้อรากานในยทธาร์เกตเป็นรศาสแนวพุทธเทศน์นยจุดติดเน้นอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มอันนี้ใหม่เเริเ่มทวนก็จะมาต่อไปเลยก็ได้ต่อไปเลยนี้ก็ต้องเปลี่ยนเนะนเยเนเ้ยังดเนีเเดี๋ยวเริ่มจากอันี้เลยอ๋อเลยครับครับก็จะเรียนทางอาจารย์อีกเรื่องปัญหาของ การพัฒนาที่ยั่งยืนจําเป็นต้องมีรากฐานอรยธรรมประเทศเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเป็นฐานไหมนะครับแ ล, แล้วก็อีกคาถามหึต่อไปนล่นก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันจะดําเนินไปได้มากน้อยเพียงใดในระบบโลกซึ่งสามารถที่ที่กําลังพัฒนาอยู่นี่นะฮะเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนะฮะแล้วก็อย่างที่ทําสาเร็จในชุมชนประเทศไทยเนี่ยในขณะที่โลกเนี่ยยังไม่ใช่เนี่ยมันจะดําเนินไปได้อย่างไรบ้างครับอือร์นากฐานของอ่าเศรษฐศาสตร์แนวพุทธครับเรื่องฮอ ก็อย่างที่พูดมาแล้วว่าเรื่องการพัฒนาที่มันยังยืนเนี่ยตัวการสําคัญก็คือเรื่องเศรษฐกิจนี่เราก็ต้องมีหลักในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้ถูกต้องด้วยนั้นท่านอาจารย์บางท่านก็จะถามในเรื่องที่ว่าเออแล้วเราจะใช้เศรษฐกิจแบบไหนเศรษฐศาสตร์แบบไหนมีเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไหมแล้วก็เคยมีฝรั่งที่เขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมา แล้วก็มีเรื่องที่ท่านเขียนเป็นเรื่องของบุ h ิ s ์อ c o n น m i มิคสิเศรษศาสตร์แนวพุทธนะแล้ตอนนั้นก็มีการติมเต้นกันอยู่ในวงการหนึ่งพอสมควรอันนี้เรื่องเศรษตศาสตร์แนวพุทธนี่ก็ให้เข้าใจกันไว้ก่อนว่าเราพูดขึ้นมาเพื่อให้เป็นกรอบในทางความคิดเพื่อเห็นแนวความคิดเพรว่า ที่จริงนั้นก็คือเราต้องเข้าใจว่าที่ว่าแนวแ น, ว, นวพูดธนี่คืออย่างไรแนวพูดนั้นตามความเข้าใจของทางพุทธศาสนานั้นเราบอกว่าความจริงของสิ่งทั้งหลายมาอยู่ตามธรรมดาของมันพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ามาค้นพบความจริงนั้นก็เลยเอาความจริงนั้นมาเปิดเผยนี่หลักการสําคัญก็คือว่าในการที่มนุษย์เนี่ยจะมีชีวิตอยู่ดีเราจะต้องรู้ความจริงของธรรมชาติรู้กฎธรรมชาติ แล้วเมื่อเรารู้แล้วเราก็นำเอากฎธรรมชาติธรรมาใช้ประโยชน์โดยการที่ว่าเราต้องเป็นอยู่ดําเนินชีวิตทําการต่างๆเนี่ยให้ตรงตามกฎธรรมชาตินซึ่งเราจะทําได้ถูกต้องด้วยแล้วเราก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยตอนนี้ความคิดที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์ในพุทธก็คือเศรษฐศาสตร์ที่มันสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติแล้วก็เอาความจริงของธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แต่ว่าในแง่นี้ก็พลังเองเขาก็บอกว่า เขาก็ถือว่าเขาก็ต้องรู้ความจริงของธรรมชาติเหมือนกันอย่างวิทยาศาสตร์ที่จะเลยขึ้นมานี่ก็เพื่อรู้ความจริงของธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องรู้ความแตกต่างวันแหนที่ตอนตกที่ว่ารู้ความจริงของธรรมชาตินั้นเขาเพื่ออะไรหนึ่งเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการรู้นี่เขาต่างกันหคือเขารู้ธรรมชาติเพื่อจะจัดการกันใหม่ เพื่อจะเอาชนะและจัดการกับมันได้ตามชอบใจเพราะเรารู้อะไรเราก็จัดการกับสิง่งเหล่นั้นได้หรือว่าถ้าเราตูรู้ธรรมชาติเราก็จัดการกับธรรมชาติได้ตามใจชอบของเราไอ้นี้ความหมายความมุ่งหมายมันเป็นอย่างนี้มีสองขอบเขตขอบเขตกับธรรมชาติที่รู้นั้นตะวันตกเขาจะมองไปที่ธรรมชาติภายนอกนอกตัวตะวันตกเขาจึงยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยแนวคิดของเขาเนี่ยเขามองมนุษย์แยกปังหาจากธรรมชาติ มนุษย์อย่างหนึ่งธรรมชาติอย่างหนึ่งไป็คนละฝ่ายแล้วมันก็มาสอดคล้องกันก็คือว่ามนุษย์ไม่มองตัวเองแต่เราเป็นมองที่ธรรมชาติที่แวดล้อมเราเราจรึงเรียกว่าธรรมชาติแวดล้อมคําว่าธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยไม่มีในทางตอนออกพุทธศาสนาไม่มีเพราะว่าแนวคิดมองมปนคนละอย่าเรามองมนุษย์เอาก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในธรรมชาติเนี่ยก็ถ้าเรามองธรรมชาติแวดล้อมมันก็กลายไปว่าเราอยู่ตรงกลางเป็นตัวสูย์กลางแล้วก็ธรรมชาติมาแวดล้อมเรานี้ รรตะวันตกนี่เขามองว่าธรรมชาติแน่ก็คือตั้งหากใน ต, ตัวเราก็ขอบเขตเขาก็คือทำมองธรรมชาติข้างนอกเช่นโลกเห็นวัตถุเป็นต้นก็สองอ่านนี้ก็มาประสานหนึ่งขอบเขตว่ามองธรรมชาตินอกตัวสองมองในความมุ่งหมายที่ว่าจะได้พิจิตจัดจา ก, การกมันเพื่ออามาสนองความต้องการของมนุษย์แล้วก็เลยเกิดท่าทีขึ้นมาก็คือท่าทีที่เป็นปฏิปัติกันหรือว่า อย่างน้อยก็กลายเป็นเหมือนเป็นศัตรูขึ้นมานี่นี่แหละที่ว่ามันเป็นถึงเรื่องฐานความคิดด้วยอันนี้ในทางพุทธศาสนานี่เรามองอีกอย่างเรามองในขอบเขตว่าอ๋อธรรมชาติก็คือระบบความสัมพันธ์ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้หรือในจักรวาลนี้ซึ่งมีมนุษย์รวมอยู่ด้วยอันนี้ก็มนุษย์ก็เป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยอย่างหนึง่งที่สัมพันธ์ในระบบนสองความมุ่งหมายในการมองก็คือว่าเรามองเพราะว่า ทำไงเราจึงจะจัดระบบความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นให้มนมุษย์ในสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือไปช่วยความสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆในธรรมชาติเนี่ยให้เป็นไปนในทางที่ประสานเพื่อกูนซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าแนวคิดความมุ่งหมายขอบเขตนี้ต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดลักษณะที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์แนวพุ่งขึ้นมาที่ไปคนละอย่างนอกจากนั้นแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง ของมนุษย์ที่โยงมหาเศรษฐศาสตร์เนี่ยยังมีต่างกันอีกหลายอย่างเชนเรื่องความต้องการของมนุษย์ทางเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันในที่โนตกนี่ถือความต้องการของมนุษย์นี่เหมือนกับตายตัวแน่นอนแก้ไขไม่ได้พัฒนาไม่ได้ในเชิงคุณภาพพัฒนาได้เพิ่มได้ในเชิงปริมาณและดีกรีแต่ว่าในเชิงคุณภาพพัฒนาไม่ได้แต่ว่าในทางพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์พัฒนาความต้องการได้มนุษย์เปลี่ยนแปลงความต้องการได้ แล้วก็ความสุขก็เปลี่ยนได้เนียตะวันตกในแนวคิดทั่วไปเนี่ยที่ครอบงาตะวันตกอยู่ไม่ใช่หมายความตะวันตกคิดอย่างนี้หมดแต่ว่าที่ครอบงำตะวันตกในอรารยธรรมปฏิบันก็ความสุขก็อยู่ที่การได้เสพบริโภคแต่ที่ว่าได้บำรุงบำรเลือกงานวัตถุนี้ทางพุทธศาสนาก็มองว่ามนุษย์นั้นจริงอยู่ในตอนแรกเราต้องอาศัยวัตถุมนุษย์ที่เป็นปุถุชนนี่ความสุขที่จะอยู่ที่การเสพ บริโภควัตถุมากนแต่ว่าเมื่อมนุษย์พัฒนาขึ้นนี้ความสุขของเขานี่จะพึ่งพาใัยวัตถุน้อยลงไปตามลําดับคือมนุษย์นอกจากพัฒนาในด้านต่างๆแล้วในทางจิตใจในเขาพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากซึ่งตะวันตกไม่พูดได้ว่าไม่เคยคิดเขาคิดแต่เพียงว่าเขาจะพัฒนาความสามารถที่จะสนองความต้องการพะนั้นตะวันตกจะมองในแง่เนี้ยคือว่า พัฒนาความสามารถที่จะสนองความต้องาการแล้วเขาก็จะมีความเจริญเมขึ้นในการพัฒนาความสามารถที่จะสนองความต้องการก็คือความสามารถที่จะไปพิจิตรและจัด ก, การกับธรรมชาติเข้ามาเสพมาสนองความต้องการนั้นนี่แนวคิดไปอยู่ที่นั่นนิดในตาพรพุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์พัฒนาขึ้นต้องพัฒนาสองอย่างด้านภายนอกเราพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพมาสนอ ง, าองความต้องการ แต่เพราะนั้นในภายในเราต้องพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขด้วยหมายความว่าข้างนอกพัฒนาความสามารถหาสิ่งเสพมาให้เกิดความสุขหรือหาสิ่งเสพบาเลยความสุขภายในเราพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขพอเราพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขขึ้นมาภายในได้เนี่ยเราจะมีความสุขที่ขึ้นต่อวัตถุภายนอกน้อยลงอันี้อันนี้มันก็โยงมาหาความหมายคําว่าอิสรภาพด้วย เราตกล ง, งความหมายของอิสรภาพว่าก็คือการที่เราพ้นจกนนากอำนาจข้อมงานของธรรมชาติเป็นต้นแล้วในฐานทรงภาพเราจับมิตรสามารถที่ไปจัดการกับธรรมชาติได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นฟรีดัมหรืออิสภาพเพราะฉะนั้นฝรั่งบางคนซึ่งแม้เขาไม่ได้มาเรียนพุทธศาสนาเขาก็พูดถึงความหมายขเขาในตอนที่เขาสำนึกจิตเนี่ยเขาบอกว่าความหมายของอิสรภาพหรือฟรีดัมอเสรีภาพของเขาในที่นี้ก็เป็นอิสระภาพเขามองว่าฟรีดัม ก็คือ domination หรือ freedom through domination อิสรภาพเกิดจากการได้ครอบงำฉะนั้นตอวันตกก็จะมีแนวคิดเนี่ยว่าตัวเองจะต้องใช้ที่ธรรมชาติจัด ก, การธรรมชาตินะั้นคือ freedom หรือความเป็นอิสระเสรีแต่ว่าทาพุทธศาสนานั้น freedom นอกจากไม่ถูกครอบงำแล้วก็คือการที่ว่าเราเนี่ยสามารถมีความสุขของตัวเองได้โดยขึ้นต่อสิ่งภายนอกน้อยลง เพราะนั้นมนุษย์ที่พัฒนาตัวเองดีขึ้นมีความสามารถที่จะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยเขาก็อาศัยวัตถุเสพน้อยลงก็มีความสุขเต็มมากอันนี้มันก็สวนทานกันเพราะฉะนั้นคนที่พัฒนามากขึ้นแล้วกลายเป็นคนที่ใช้สิ่งเสพบริโภคน้อยลงแต่เรายอมว่าคนเราไม่ได้อยู่ในระดับการพัฒนาอย่างเดียวนะั้นในทางพุทธศาสนานี่เมื่อเราพัฒนาคนไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าในที่สุดเนี่ยจะมีคนประเภทที่เรียกว่า มีความสุขได้โดยไม่ต้องมีอะไรเลยทีนี้พอคนมีความสุขได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นในภายในโดยพึ่งวัตถุภายนอกน้อยลงก็หนึ่งก็มีสภาพก็คือขึ้นต่อวัตถุภายนอกน้อยเนี่ยความหมายของความอิตระในทีนี้ก็ตรงข้ามสวนทางกันเพราะตะ ว, ว, วันตกเรามองว่าเขาเป็นธาตุมาเพราะว่าเมื่อเขาจะมีความสุขมากขึ้นเขาต้องขึ้นทา ขึ้นต่อ ว, วัตถุเหล่านั้นมากขึ้นนถ้าไม่มีวัตถุเหล่านั้นเขามีความสุขไม่ได้เขาจะทุรุทุลายเพรา ะ, ะนั้นยิ่งสร้างสรรคไปเขายิ่งเป็นทาตวัตถุภายนอกความสุขในตัวยิ่งน้อยลงนี้เขาเราบอกว่าเรามีสาภาพมากขึ้นเพราะเรามีความสามารถที่จะมีความสุขมากขึ้นโดยขึ้นต่อวัตถุเศษน้อยลงนั้นเราก็เป็นอิสระของตัวเราเอันนี้พอพัฒนาไปมากขึ้นมากขึ้นาก็กลายเป็นคนที่ว่ามีสุขได้โดยไม่ต้องมีอะไรที่เราเรียกว่าเป็นพระธาตุ อันี้กาที่ว่าคนเราพัฒนาตัวเองดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นในตัว้็กลับเป็นความสุขที่มันย้อนกลับไปมีผลช่วยเหลือเกื้อกูลกันโลกหนึ่งก็เอาจากโลกน้อยเอาจากธรรมชาติน้อยเบียดเบียนน้อยสองก็คือว่ากลับไปช่วยเหลือโลกภายนอกได้มากขึ้นคนที่มีความสุขโดยไม่ต้องเอาอะไรมากจากโลกแต่ก็มีเวลาที่จะทําให้แกโลกมากขึ้นต่กระทั่งในที่สุดเมื่อมีสุขได้โดยไม่ต้องมีอะไร ก็เป็นผู้อุทิศชีวิตนี้ให้แก่โลกทั้งหมดหรือว่าอุทิศชีวิตทั้งหมดนี้ให้แก่โลกอันนี้ก็คือคติอุทิศสนาซึ่งเป็นจุดหมายคู่กันระหว่างจุดหมายชีวิตคนกับจุดหมายเชิงสังคมหมายความว่าจุดหมายเชิงชีวิตนี้เราพัฒนาคนไปคนเป็นอิสระในเชิงความสุขมากขึ้นมีความสุขโดยมีวัตถุเสรพึ่งพาขึ้นต่อมันน้อยลงจนกระทั่งมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีอะไรพร้อมกันนั้นขเขาก็ ยิ่งสามารถอุทิศชีวิตจนกระทา่งอุทิศชีวิตทั้งหมดนี้ให้แก่โลกได้เส็จนั้นคติพุทธศาสนาอันนี้เราจริงคู่กันนะในชีวิตบุคคลเราเรียกว่านิพพานนิพพานก็คือว่ากิเลสไม่มีและดับทุกได้หมดนะมีแต่ความสุขโดยไม่ต้องมีอะไรนะจกนกระทั่าว่าหมดแม้แต่ความยึดถือในตัวตนนะเป็นความสุขที่เป็นอิสระปลอดภัยฉะนั้นกนั้นพออย่างนี้แล้วก็ไปเข้าประสานกับ จุดสงสัยเชิงสังคมที่เรารู้กันอยู่ตลอดเวลาว่าพระอารหันต์ก็ตามเลยว่าพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยไม่อยู่เพื่ออะไรก็บอกว่าเพื่อพระอุชนทริยะพระอุเชนทริยะโลกาุกัมปายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากหรือผู้ชนที่เราใช้ปัจิบันิว่ามวลชนแล้วก็โลกาุกัมปายะเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลกอันนี้คติสองอันนี้จะมาประสานกัน แนวทางการพัฒนาแบบนี้มันก็หมายความว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายแค่นสนองความต้องการของมนุษย์ในเชิงวัตถุเท่านั้นแต่มันเป็นประสานกับเรื่องของระบบความเป็นอยู่อะไรต่างๆ ท, งทั้งหมดของมนุษย์เลยชีวิตและสังคมทั้งโลกประนดินเป็นระบบที่ฝรั่งเขาเรียกว่าองค์รวมไม่ใช่คิดเ ศ, ษศรษฐกิจจะคิดแต่เพียงว่าเศรษฐศาสตร์หาทาง ท, างทงาําไงจะให้มนุษย์มีวัตถุรังปลอบสนองความต้องการในทางวัตถุในทางเศรษฐได้เท่านั้นทีนี้ ก็เลยฝรั่งเนี่ยถ้าที่เป็นมาตอนนี้เขาก็ยอมรับว่าเขามีแนวคิดแบบที่เรียกว่าแยกส่วนเป็น reductionism หรือ reductionist view แนวคิดแยกส่วนนี้ก็เกิดมาตั้งแต่ยุคพัฒนาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเวลาเป็นร้อยร้อยปีสอง้สามรอยปีเนี่ยอันนี้ตอนนี้ก็เห็นว่าแนวคิดเนี่ยไม่ถูกแล้วก็ยังประสานไม่ได้ก็ยังเป็นเรื่องที่ว่ารู้แต่ว่า หรือเห็นว่าที่ผ่านมานั้นไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตะวันตกเขาจงยอมรับว่าเขาอยู่ในยุคของการที่ว่าเป็น turning point จุดเปลี่ยนแต่ว่าเขายังไม่รู้จะเปลี่ยนไปยังไงนแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนแน่นอนอันนี้ก็อาวุโสเศษฐศาสตร์ในพุทธก็ไปอันว่าที่ว่ามานี่เราต้องการให้มนุษย์นี่มีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติให้ถูกต้องมองธรรมชาติอย่างถูกต้องมองความหมายความต้องการของชีวิต เช่นความหมายความต้องการก็ระบบพัฒนาได้เปลี่ยนได้แล้วก็เรื่องของความสุขความหมายก็พัฒนาไปความสุขก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็ความสุขที่เป็นอิสระ f ฟ e ีดัมอิสระภาพต้องมีความหมายต่างออกไปเป็นการที่ว่าสามารถมีความสุขได้ตนเองโดยไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุเสษภายนอกมากเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่มันก็เป็นเรื่องแนวคิดที่ว่าเหมือนกับว่าไปคนละทางเลยทีเดียวเนี่ย เขาจะได้นทีนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนนะมันจะดาเนินไปได้มากน้อยถึงใดในระบบโลกที่การพัฒนาที่เป็นประเภทที่ไม่ยั่งยืนอย่างที่ทํำน็จอยู่ในประเทศไทยนะฮะขณะที่โลกไม่ยอมรับนี่มันจะดำเนินมันไปได้อย่างไรก็อันนี้เป็นเป็นได้ในสองทางทางที่หนึ่งก็คืออย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าเราพัฒนาคนถูกต้องถ้าคนไทยเป็นคนงั้นจริงนะเป็นคนที่มีความสามารถมากขึ้นในการที่จะมีความสุขในตัวเอง มันแก้ปัญหาไปในตัวเลยโดยไม่ต้องรอว่าประเทศอื่นจะแก้ได้หรือไม่นะเรามีความสามารถพิเศษแต่คนไทยตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นขอภัยมันกลายเป็นเหยื่อของฝรั่งในการที่ว่าถูกเขาล่อให้อยากเสพบริโภคมีคานิยมบริโภคมากขึ้นก็เลยกลายเป็นว่ากลับแพ้ฝรั่งหนักครัีกฝรั่งนั้นยังมีความเป็นผู้ผลิตหรือเป็นนักผลิตเป็นนักผลิตพร้อมกับ น, นักบริโภคแต่คนไทยนี่เป็นนักบริโภคอย่างเดียวเลย ดังนั้นมันจริงร้ายกับฝรั่งอีกในเวลานี้มิถ่าว่าเราคนไทยเราพัฒนาได้ถูกต้องเราก็เป็นนักผลิตแต่ว่าเราไม่เป็นนักบริโภคหรือว่าอย่างน้อยมีดุลยภาพหรือสมดุลกันระหว่างความเป็นนักผลิตกับ น, นักบริโภคถ้าคนไทยเป็นนักผลิตเพิ่มขึ้นมาก็สู้ฝรั่งได้ลแล้วเราก็มาเป็นทาสของเขาทีานี้ต่อไปถ้าเราเก่งขึ้นมาเราพัฒนาในตัวคนจนกระทั่งว่าเป็นผู้มีความสามารถที่จะมีความสุขเป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้นเป็นคนที่ทุกได้ยาก มาสุขได้ง่ายก็สบายแล้วคราวนี้เราไม่ต้องกลัวละใครจะมาล่อล่ะยังไงเราก็ไม่ไปอันนี้แง่หนึ่งแง่ที่หนึ่งละทีนี้แง่ที่สองก็คือว่าเรื่องการที่เราอยู่ในสังคมโลกแล้วก็พาไปในโลกต้องกระทบกระเทือนถึงเราแน่นอนเนะดี๋ยวเฉพาะระบบเศรษฐกิจแบบแข่งขันเวลาเนี้ยการแข่งขันกันเนี้ยก็บอกว่าจะให้ฟรีจะให้แฝงอะไรต่างๆแล้วเนี้ยแต่ว่าลึกลงไปเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ การที่จะครอบงนขึ้นกันและการเอารัดเอาเปรียบตัวเสียเปรียบเนี่ยอย่างง่ายๆอย่างตอนที่จะให้เกิดฟรชเพรสซึ่งจะพยายามให้แฝ ด, ด้วยโดยที่อเมริกันรัฐบาลของท่านกินตันเองก็พูดในเชิงว่าจะให้เอเชียเนี่ยทำให้เกิดแฝดเพรสด้วยมองคล้ายๆว่าทางเอเชียเนี่ยไม่แฝดแล้วก็พฤติกรรมก็ออกมาในรูปที่ว่าที่จะให้แฝก็คือจะต้องมีฟรชเพรส ต้องฟรีินจบแ ย, ย่ทีนี้ว่าฟรีแล้วมันอี u a l มันเสมอภาคกันหรือเปล่าก็ายังเป็นปัญหาทีนี้ต่อมาก็มีการตั้งองค์การค้าโลกเข้าเรียกว่า World Trade Organization ซึ่งตั้งก็ไม่นานเนี่ยเราตั้งขึ้นมายังไม่ทันอะไรเลยเราตั้งปั๊บก็อ เ, กกบอเมริกากับญี่ปุ่นก็ทะเลาะ ก, กันทันที เ, นเขาบอกว่าเกิดจะเกิดเทรดวอร์ระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่น เพราะอะไรเพราะว่ า, าญี่ปุ่นตอนนั้นนั้นได้เปรียบดูนการค้าเมริกาอยังมหาศาลทีนี้อเมริกาต้องการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยในการที่ว่าจะมีฟรีเพรสนั่นก็คือการที่จะลดข้อจำกัดดิกันทางการค้าลดภาษีอากรอะไรต่างๆเนี่ยภาษีสุลการกรแล้วก็เรื่องโถต้าการนำเข้าสินค้าอะไรต่างๆหลาเนี้ยมีกระบวนการเที่ยงเอเปนะตอนนั้นก็ เอฟเฟกก็เกิดขึ้นมาซึ่งมีทั้งอเมริกาญี่ปุ่นร่วมกับประเทศทางโซเชียตเนี่ยพอเสร็จแล้วก็เกิดอย่างที่ว่าเกิดจะเกิดเทรดบอลสองครามการค้าระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นเพราะว่าอเมริกาก็ตั้งแง่ขึ้นมาว่าญี่ปุ่นได้ดูลการค้าเหนืออเมริกามากมายนะจะต้องแก้ไขนะญี่ปุ่นจะต้องยอมอะไรตามเงื่อนไขของอเมริกาไม่เช่นนั้นอเมริกาจะต้องตั้งกำแพงเรียกภาษีรถยนต์ พุ่งพวยของญี่ปุ่นเอาให้ได้เท่านั้นเท่านั้นล้านเหรียญเลยเอาตั้งสานทีก็ทะเลาะกันขึ้นมาในอย่างนี้เป็นตอนก็หมายความว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่บอกว่าฟรีแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ละประเทศก็คือรักษาผลประโยชน์ของตนเองแม้แต่ตอนที่ท่านกินตันพยายามเป็นผู้ที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องฟรีเทสฟรีเทสเนี่ยที่จริงก็มีมานานแต่ว่าตอนนี้กําลังเฟื่องมากแล้วก็ฝรั่งก็บอกเลยว่าประธานาธิบดีกินตันเนี่ยเป็นเดอะ most เ the, the strongest r o p o n e n t of i n t e r e t วาไงนะคือเป็นผู้หนุนแนวคิดเรื่องการคาเสรีย์ที่เข้มแข็งหรือแข็งขันที่สุดเพราะฉะนั้นเอ펙นี่ก็มาสำเร็จในยุค ข, ของดิกิตแน่แ้จว่าจดไอ้อะไรหรือว่าเป็นสัญญากันในตอนท้ายรัฐบาลบุชตอนท้ายรัฐบาลบุชนี่เป็นกันแล้วแต่ว่ามามีผลจริงในรัฐบาลถึงกัน ตอนี้คินตันก็หนุนใหญ่เรื่องฟีเทสเนี่ยฟีเทสนี่ก็ออกมาการค้าเสรีอย่างที่ว่าเนี่ยนี้การค้าเสรีมันก็ไปหนุนระบบแข่งขันอย่างที่ว่าหมน้นี้ระบบแข่งขันเนี่ยมันก็รักษาผลประโยชน์กันละการท้าานสปนาทาะไรที่บดีคินตันเองตอนที่ทางรัฐสภาพอรัฐสภาโหวตผ่านเรื่องเอเป็กเอเปก็เป็นย่านการค้าเสรีแถบ A A เอเชียแปซิฟิ พอโหวผ่านเท่านั้นแหละาณธิบดปรึกินดันก็กล่าวคำปราษัยในคำข่าวปาศัยนั้นก็บอกเลยว่าวัตถุประสงค์ของสีเดชนั้นอยู่ที่ผลประโยชน์ของชาติอเมริกันด <Yeah. S 1> ะงนั้นเขาพูดว่าอะไรมันจะเป็นไปเพื่อดีฟอิ e เ e สของเดอะยูเนี่ t นเดชก็คือว่าเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อย่างลึกซึ้งแก่สหรัฐอเมริกาหรือประชาชาติอเมริกานนั้น ในการสัมพันธ์ระหว่างประเทศเวลานี้เรายังแก้ปัญหาเรื่องความเห็นกับตัวไม่ได้แต่ละประเทศก็มุ่งประโยชน์ของประเทศตนผลประโยชน์อย่างนี้มันก็ต้องมีการที่ว่าฟรีและแฝงในที่ว่าในส่วนที่ตัวไม่เสียเปลียบถ้ามันฟรีแล้วก็มันได้เปรียบบางทีมันถือเป็นแฝงเหมือนกันนะฮะดังนั้นหรือบางทีมันแฝงในลักษณะภายนอกแต่ว่าลึกลงไปมันไม่แฝงอย่างเวลานี้ประเทศไทยกับประเทศอุตสาหกรรมพัฒนา แล้วก็มีการค้าขายในลักษณะที่เรียกว่าประเทศที่กําลังพัฒนาหรือเท่าเรียกประเทศพัศพฒนาน้อยอย่างประเทศไทยเนี่ยซื้อแพงขายถูกแต่ประเทศพัฒนาแล้วอาจจะซื้อถูกขายแพงเรีว่าซื้อวัตถุดิบมาถูกๆแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขายแพงแต่ของเรานี้เราขายถูกขายทรัพยากรธรรมชาติพืชพันธุ์ัญญาหารถูกๆ นั้ซื้อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปพงๆยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะปลูกพืชชนิดหนึ่งขึ้นมาขายไปกิโลก ร, รัมละ8บาทแล้วก็ประเทศที่พัฒนาแล้วก็มาซื้อออกไปเนีย่ยที่ว่ากิโลก ร, รัมละ8บาทแล้วไปทําเป็นสินค้าเช่นยาเป็นต้นมาจุแคปซูลมามาขายให้เมืองไทยเป็นเภสัชพันฑ์แคปซูลละ8บาทหรือ 8.1 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าแปงนะ แต่ว่าเราจะยอมรับไม่ว่าแฟอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันมากเหมือนกันที น, นี้ทำยังไงในขณะที่เราต้องรู้ความจริงว่าแต่ละประเทศนี้รักษาผลประโยชน์ของตนเองจะมีความสัมพันธ์กันได้อย่างไรก็หมายความว่าในเมื่อระบบ ก, การแข่งขันอย่างนี้ยังมีอยู่โดยเฉพาะประเทศอเมริกานั้นคุมหลังของประเทศของเขานั้นก็เราก็ต้องรู้ว่าอเมริกาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาตามลาดับ เมื่อร้อยกว่าปีมานี้เองร้อยปีมาทวนๆนดีนยอเมริกาเนี่ยมีแนวคิดใหญ่ที่เชื่ชูบูชามากเขาเรียกว่าแนวคิดตัวเชื่นดาวดินิซึมคือแนวคิดดาววินเชิงสังคมแนวคิดชดาววินเชิงสังคมก็คือแนวคิดที่เรียนแบบมาจากลัทธิดาววินในธรรมชาติที่เขาถือว่าธรรมชาติเนี่ยมันจะมีการคัดเลือกในตัวของมันเอง สัตว์ที่เข้มแข็งมีความสามารถก็อยู่ได้รอดถ้สัตว์ที่อ่อนแอก็จะต้องตายไปเองแล้วก็โดยวิธีนี้ก็โลกก็มีวิวัฒนาการสัตว์ทั้งหลายก็เจริญมานะพันธุ์ที่สู้ไม่ไหวก็าตายหมดสาบสูญไปที น, นี้เอามาใช้ในเชิงสังคมก็มหมายความว่ามนุษย์เราก็เช่นกันมนุษย์เราในยอยู่ในสังคมเนี่ยจะต้องมีการแข่งขันกันแล้วเปิดโอกาสให้แข่งขันเขาเรียกว่า altruistic competition การแข่งขันกันอย่างไม่มีขีดจำกัดเต็มที่เนี่ย ร, รัฐเป็นต้นจะต้องไม่เข้ามาแทรกแซงเมื่อคนแข่งขันกันไปนี่คนที่อ่อนแอก็ตายไปเองคนที่แข็งก็อยู่มาทางธุร ก, กิจก็เช่นเดียวกันบริษัทกิจการต่างๆที่เข้มแข็งมีความสามารถก็จเจริญเติบโตอยู่ได้บริษัทที่อ่อนแอก็ลมหายายไปก็เป็นธรรมดาแล้วโดยวิธีนี้ประเทศชาติก็จ ะ, จะเจริญงอกงามแนวคิด ดาวินิซึมเชิงสังคมเนี่ยได้ครอบงำสังคมบริการเป็นที่เชิดชูบูชาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นอิทธิพลเนี่ยยังอยู่เพราะฉะนั้นเบื้องหลังความทิศของสังคมบริกัรเนี่ยเราต้องรู้อันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาจึงเชิดชูระบบที่เรียกว่าอิดิวิดียลิซึมประเจกชนนิยมถือตัวบุคคลประเจกช น, นเป็นใหญ่แล้วก็มีคอมพล็กซ์ชั่นการแข่งขันสองอย่างนี้ก็ออกมาลักษณะที่ว่าแข่งขันกันไปตัวใครโัวมันใครดีใครอยู่ ใครอ่อนแอคนนั้นล้มหายตายไปเองดังนั้นก็ระบบแข่งขันนี่อเมริกันก็ถือเป็นหัวใจในการพัฒนาประเทศของอเมริกาดังนัท่านเดี๋ยวนี้เมื่ออเมริกาที่จะเริ่มสูญเสียความยิ่งใหญ่ในวงการเวทีเศรษฐกิจโลกเช่นว่าญี่ปุ่นตอนนั้นจะนำหน้าไปอเมริกาก็มีความเศร้าโศกเสียใจมากก็มาอดทนกันว่าคอมเพตติฟิตเนี่ยในสังคมอเมริกาเนี่ยมันเสื่อมหายไป ซึ่งไปสัมพันธ์กับว mm ิกเตติกจริยธรรมในการทํางานเป็นต้นนี้ความสามารถหรือความพร้อมในการแข่งขันเสื่อมไปก็ทําให้ชาติอเมริกานี้แย่ yeah. เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะต้องทําให้คนของเขาเนี่ยมีความพร้อมในการแข่งขันให้มากขึ้นเพราะนั้นแนวคิดเขาในการต้องรู้ว่าเขาอยู่ที่ตัวเนี้ยตัวการแข่งขันแล้วก็เรื่องของประเกันนิยมก็ขือตัวใครโดนมัด น, นี่ยนอันนี้ เมื่อเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็มาอยู่ในโลกเวลานี้แนวคิดนี้ก็ครอบงําโลกไปทั้งหมดแล้วประเทศไทยเราก็เป็นครึ่งๆกลา ง, ร, งระบบแข่งขันตัวใครตัวันก็ถอาไปครึ่งหนึ่งระบบของเดิมอะไรน้ําใจเป็นต้นก็ครึ่งหนึ่งก็เลยอะไรดีไม่ได้สักอย่างเนี่ยเราก็ต้องรู้ทันแล้วทําไงละ่ะเมื่อระบบโลกจะเข้ามาครอบงาเราจะแก้ไขปัญหายังไงถ้าเราแก้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในตัวจะโลกไม่เอาด้วย เราก็ต้องเก่งจริงๆสเิเราต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ยากเราจะต้องไม่ประมาทและที่สําคัญที่เราต้องเก่งกว่าเขา เ, เก่งในที่นี้หมายความมีความสามารถโดยเฉพาะเชิงภูมิปัญญาเชิงภูมิปัญญาก็รู้ทันรู้ทันที่สังคมตะวันตกอารยธรรมเขามายังไงมีเหตุเป็นมาความจเจริญรุ่งเรือ ง, องไงฐานความคิดเป็นยังไงแล้วจึงจะทันและจะแก้ปัญหาได้ถ้าว่าเราไม่รู้เท่าทันเขาเราจะไปทําอะไรได้นั่นก็ กลายเปว่าอยู่ใต้ความข้อบงําไปฉะนั้นก็ไปอ่านว่าการแก้ปัญหาในขณะที่โลกเนี้ยยังเดินทางไม่ถูกต้องเราก็ต้องแก้ปัญหาทั้งสองระดับหนึ่งพัฒนาตัวเราเองให้ถูกต้องเมื่อเราเดินทางถูกแล้วเรามีความมั่นใจในตัวเองภูมคุ้มกันในตัวก็เกิดขึ้นมาสองก็คือว่ามีความสามารถที่จะไปช่วยแก้ไขปัญหาของโลกนี้ ด, นนด้วยนะเพราะว่าหมายความว่าเราจะต้องเก่งในการแข่งขันจนเหนือการแข่งขันมนุษย์ ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยถ้ายังมีการแข่งขันกันครอบงนไปทั่วโลกมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาจะต้องเป็นมนุษย์ที่นอกจากแข่งขันชนะแล้วต้องอยู่เหนือการแข่งขันแล้วลงมาแก้ปัญหาหการแข่งขันด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่มาว่าคงต้องใช้เวลามาพิจารณากันยาวมาด้วยมีปัญหาการผลิตปัญหาที่ทําให้การพัฒนาที่ยั่งยืนได้สําเร็จไม่ได้ไดไเลยนะฮะผลิตแล้วเพื่อเกิดจาก ปัญหาอะไรเป็นหลักเป็ใหญ่หนึ่งก็ปัญหานี้ก็มีหลายเหตุแต่ตอนนี้อาตมาจะพูดแจ้งสักนิดหนึ่งคือให้รู้ถึงความได้เปรียบเสียเปรียบคือในแง่ของการแข่งขันเนี่ยเขาชอบพูดคําว่าได้เปรียบเสียเปรียบที่จริงอาจจะเป็นคําที่น่ารังเกียจก็ได้นี่คือว่ามันไม่ควรจะมาพูดถึงการได้เปรียบเสียเปรียบจะเป็นมนุษย์ปุุชนถ้าเกิดยวเพาะในระบบแข่งขันมันก็ต้องมีเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบนี้ คนไทยเราเนี่ยในแง่ของการพัฒนาเรามีความเสียเปรียบอยู่ในตัว เ, เสียเปรียบอย่างไรก็คือว่าสังคมอย่างอเมริกันเนี่ยเขามีความได้เปรียบในแง่ที่เขามีข้อด้อยอยู่สองตัวการข้อด้อยก็คือตัวบีบคั้นตัวบีบคั้นหนึ่งตัวบีบคั้นในเชิงธรรมชาติแวดล้อมโดยธรรมชาติแวดล้อมสังคมตอนตกที่ผ่านมานี้มีความลำบากมาก มีความขาดแคลนซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการพัฒน า, าสาษาต่างหรยอว่าสกาดิทธิตัวนี้เมื่อขาดแคลนแล้วก็ทำให้คนเพียงพยายามที่จะแก้ปัญหาต้องสู้ต้องเหน็ดเหนื่อยก็ต้องอดทนภัยธรรมชาติการคุกคามการเป็นอยู่ที่ลำบากการขาดแคลนเช่นว่าในฤดูหนาวอยู่แทบไม่ได้เลยเนี่ยทาให้คนต้องต่อสู้ดินหลนมา การต่อสู้ดินน้นรนก็ทําให้คนเข้มแข็งและเป็นคนกระตือรือร้อนข้นขวายอันนี้เป็นภูมิหลังอันหนึ่งของสังคมตนตกที่คนไทยเสียเปรียบเพราะคนไทยเรานี้อุดมสมบูรณ์ในน้ามีปลาในนามีข้าวหลักของปุถุชนนั้นเป็นธรรมชาติปุถุชนว่าถ้ายังไม่พัฒนาแล้วเนี่ยจะต้องมีทุกบีบคั้นภผยคุกคามจึงละจึงจะลุกขึ้นดินน้นรนข้นขวายถ้าสุขสบายก็มีความโนมเอียงจะนอนก็จะเป็นอย่างนี้ผัดเพี้ยน พอสบายและไม่มีอะไรบีบแล้ผัดแล่ยไว้ภูมินี้ก็ได้มาลุนก็ได้แต่ว่าที่เขามีทุกข์มีภัยเนี่ยเขาผัดเพี้ยนไม่ได้เลยเขาต้องทํารงนี้นี่สังคมไทยเราต้องยอมรับจุดอ่อนว่าเรามีความดสมดุลเป็นข้อดีแต่ก็เป็นข้อเสียเปรียบที่ว่าทำให้เราขาดสิ่งบีบคั้นทําให้เรามีความน้มเองที่จะประ ม, มาทแล้วก็ไม่กติลรลนของขวานส่วนฝรั่งนั้นเขาได้อันนี้ได้แรงบีบคั้นจากธรรมชาติแบบหลอ ต่อไปอันที่สองคือเครื่องบีบคั้นเชิงสังคมสังคมตะวันตกก็ได้อันนี้มากคือในอดีตนี้เขามีการลบราคาฟันเบียดเบียนกดดันหรือคมเหงรังแกกันมากมายซึ่งประวัติศาสตร์นี่เราควรจะไปอ่านให้ชัดด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ถือว่าระบบสังคมเป็นระบบที่บีบคัน้นเขาสร้างทุกภัยประดิษฐ์ขึ้นมา โดยเป็นความเป็นมาในสังคมภูมิหลังทีมอาจจะไม่ได้รู้ตัวก็ได้ก็คือระบบแข่งขันนี่แหละระบบแข่งขันตัวใครตัวมันก็คือระบบที่บิบคั้นคนทุกคนให้บิดถ้าคุณไม่ดินคุณตายถ้าคุณไม่ขึ้นไปนเหนือเขาเขาใช้คําว่าถ้าเราไม่ก็พ่อแม่จะต้องสอนลูกตลอดเวลาต้องหอวัว่นอัพหวั่นอัพหมายความต้องเหนือเพื่อนขึ้นไปต้องเหนือคนอื่นขึ้นไปต้องได้เปรียบหนึ่งนะขึ้นไปเหนือเขา อันนี้แนวคิดเขาตะมาตกจะเป็นอย่างเนี้ยซึ่งจะเป็นแนวคิดที่ว่าดาววินชื่นสังคมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมาแนวคิดนี้หมดนิกระบบแข่งขันตัวใครตัวมันก็บีบคั้นคนว่าถ้าไม่บินจะไม่มีใครช่วยจะตายเนี่เพราะฉะนั้นระบบสังคมก็บีบคั้นเขาเขาก็ได้เปรียบเลยที่ว่าแม้ไม่ต้องตั้งใจพัฒนาคนระบบของสังคมตัวบีบคั้นมีอยู่ที่มาช่วยให้เกิดการพัฒนาได้ แต่สังคมไทยในเชิงสังคมเราก็ขาดตัวบีบอันนี้ก็คือว่าเรามีระบบสังคมที่มีน้ําใจเช่อเหลือเกือกูลกันมีความหวังพึ่งพาซึ่งกันและกันได้อบอกอาจจะบอกว่าถ้าเราจะขาดแผ่นยากจนลงไปเราก็ไปหาพ่อหาแม่หาญาติพี่น้องหาเพื่อนหาผู้ใหญ่คนนั้นมาช่วยหวังพึ่งกันอย่างเงี้ยการหวังพึ่งเนี่ยทีนี้ถ้าไม่ดีก็กลายเป็นเสียนิสัยกลายเป็นนักนักรอผลพึ่งพา คุณพระคอยหวังพึ่นคนอื่นแล้วก็เลยไม่ไดิ้นหล่นขนไถลแล้อีกประการหนึ่งก็คือว่าน้มไปนในทางที่ว่าก็เคยเลื่อยเฉยเป็นคนเฉืยชาไม่กระตืลลอรืนข้นขวายแล้วก็เลยต่อมาก็เป็นทางให้รัฐที่รอผลดลบรรดาญเข้ามาอย่างเวลานี้รัฐที่รอผลดลบรรดาญก็เข้าคร อ, อบงาำสังคมไทยเข้าไปแทบจะเต็มที่นี้ถ้าสภาพอย่างนี้มีอยู่เนี่ยเราแข่งขันเขาไม่ไหว อย่าว่าแต่จะไปแก้ปัญหาโลกหรือพัฒนาความสามารถในตัวเองแบบที่ว่าเมื่อกี้ที่จะเป็นอิสระมีความสุขง่ายในการพึ่งพาวัตถุน้อยอะไรเลยแนมะ้แต่จะชนะการแข่งขันในโลกนี้ก็ไปไม่รอดแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องพัฒนามนุษย์อย่างที่ว่าโดยตระหนัดรู้จวว่าเรามีข้อด้อยเราขาดตัวบีดตัวเร่งสองประการที่ว่ามาเราจะต้องพัฒนาคน นี่ยพัฒนาคนให้เกิดขึ้นเป็นคุณสมบัติภายในมนุษย์ที่พัฒนาก็คือมนุษย์ที่สามารถไม่ประมาทโดยไม่ต้องมีสิ่งบีบคั้นภายนอกและแม้สิ่งภายนอกเพื่ออานวยให้ช่วยชาประมาทก็สามารถที่จะไม่ประมาทด้วยสติปัญญารู้เหตุรู้ผลบังคับตนเองได้อันนี้ยากที่สุดในคนไทยจะไปรอดไหมอันนี้คือปัญหา แพราะว่าอย่างจะต้องย้ําว่าเราไม่มีตัวบีบเร่งนะถ้าเราไม่พัฒนาคนแล้วเราไปไม่รอดเพราะฉะนั้นอันนี้อาตมาก็ขอยกเข้ามาให้ด้วยอันนี้พมอที่ไม่ทราบอภัปัญหาเรือตัวสรุปตัวสรุปปัญหาที่ว่าตัวเหตุปัจจัยก็เหตุปัจจัยอาตมาก็กล่าวแล้วว่ามันก็มีสองอย่างคือว่าเหตุปัจจัยในระดับปฏิบัติการกับเหตุปัจจัยในระดับรัฐานความคิดนระดับปฏิบัติการก็คือพฤติกรรมของมนุษย์ ในการที่จะหาความสุขเจาจการเสบบริโภคมีวัตถุบริโภคให้ทำพร้อมนะเราก็เลยจะให้เศรษฐกิจดีแล้วก็ไปพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรมเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยเป็นกระทั่งบางทีกลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคที่ผ่านมานี้มันไม่เป็นอิสระไม่บริสุทธิ์นะคือมีการเขียนกันว่าเพียวทายเพียวจริงยุคเปล่าก็มีผู้ถขียว่าไม่เพียวเพราะมันมีแนวคิด แสงอยู่เบื้องหลังหนึ่งแนวคิดที่ว่าเป้าหมายเพื่อจะพิชิตธรรมชาติน่ะมันเป็นแวลูแล้วเป็นคุณค่าสองมันมีความคิดที่จะจัดการกับธรรมชาติมาสนองความต้องการในอุตสาหกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ ไ, ไปรับใช้อุตสาหกรรมสร้างวัตถุทั้งพร้อมนะัมวิทยาศาสต ร, ร์ก็ขอภายกลายมาเป็นรับใช้อุตสาหกรรมไปแล้วก็มาพ่วงมาด้วยเทคโนโลยีอย่างที่ว่าเมื่อกี้อันนี้ ก็ลวงพาก็คือในเชิงปฏิบัติการเนี่ยมนุษย์ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมผิดนก็คือว่าจะห า, าวัตถุให้ทร้อพร้อมก็จัดการกับธรรมชาติตามใจก็ต้องแก้ไขเชิงปฏิบัติการอันนี้ฝรั่งก็บอกต้องใช้จริยธรรมอย่างที่ว่าซึ่งเราบอกว่าเป็นจริยธรรมแบบจําใจไปไม่รอดแล้วก็ไม่เป็นเป็นจริยธรรมแยกส่วนมันไม่ประสานกลมกลืนทั้งระบบมันไม่เข้าไปถึงชีวิตจิตใจปัญญามันไม่กลมกลืนเป็นระบบคาสัมพันธ์ ที่เนื่องอาศัยขึ้นกันเลยกันเท่นี้ก็ดาระดับลักษานความคิดก็อย่างที่ว่าลักษานความคิดนี้เป็นเรื่องปัญญาแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่อยู่ระดับระหว่างฟางระหว่างพฤติกรรมภายนอกขั้นปฏิบัติการและก็กิจกรรมเศรษฐกิจเป็นต้นเนี่ยถึงอยู่รวมอยู่ในระดับปฏิบัติการหรือพฤติกรรมเนี่ยและก็ระดับฐานความคิดซึ่งเป็นเรื่องปัญญาก็คือระดับคิดตใจ จิตใจนี้เป็นตัวสื่อเช่นความต้องการความปรารถนาอะไรต่งางๆเป็นต้นอันนี้นระดับใจิตใจนี้ก็ต้องแก้เพาปัญหาก็มากอยู่เหมือนกันปัญหาระดับจิตใจเนี่ยก็คือหนึ่งมนุษย์นี่มีสิ่งที่ทางท่าที่เรียกว่าตัณหาคือความปรารถนาจะเสดบริโภคสนองความต้องการบำรุงบำรุ ง, รงความสุขให้กับตนทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายอันนี้อันที่หนึ่งก็เข้ากับแนวคิด มันมาในแนวคิดด้วยที่เข้าใจไปว่าเราจะสู่เมื่อได้เสร็จเรืร่อยๆนี่ก็ออกมาในระดับใหญ่ระหว่างเช่นว่าระดับ ร, ระดับกิจการระดับหมูลชนระดับสังคมระดับประเทศมันก็ออกในระดับของการหาผลประโยชน์การแย่งชิงผลประโยชน์กันแล้กันตัวนี้คือตันหาเป็นพลังอยู่เบื้องหลังของระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเพราะนั้นการแข่งขันการค่าอะไรต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจทั้งหมด กระบวนการความเป็นไปเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้อำนาจของไอ้ตัวแรงจูงใจที่เรียกว่าตัณหาเนี่ยหนึ่งและการแสวงหาผลประโยชน์หรือความต้องการผลประโยชน์เนี่ยเป็นกระทั่งว่าต่วสงครามอะไรต่างๆก็แย่งผลประโยชน์กันหมเนยสงครามแต่ก่อนสงครามร้อนเป็นฮอตวอร์ใช้อาวุธเดีย๋ยวนี้จะเป็นสงครามทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยโคนวอร์กูบอกว่าจบไปแล้วแต่ไม่แน่จบอีกหรือเปล่านเนี่ย อาจจะเป็นโคนวอชนิดใหม่เนี่ยมีพลังตั้งศัพท์ขึ้นมาใหม่เพราะว่าแต่ก่อนมีโคนวอแล้วก็มีโคนพิสตัวนั้นเนี่ยแล้วมีหนั ง, หนงสืเอเล่มหนึ่งเขีย ข, ขึ้นมาเรียกว่าโคนพิสตัวนั้นเนี่ยเอาแล้วก็ไปอ่านว่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการหาผลประโยชน์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สองก็คือว่าการต้องการอำนาจของการเอำนาจความยิ่งใหญ่ทางซ้ายเรียกว่ามารณะซึ่งคนไทยมาใช้ในความหมายที่เพียเ้ยนไปแล้วเป็นความเปลี่ยนไปอย่ยา มานาะจคืความต้องการอํานาจต้องการขาดที่ใหญ่ทั้งในระดับบุคคลถึงระดับโลกระดับประเทศต้องการผลประโยชน์เท่ากันก็ต้องการอํานาจด้วยคู่กันไปเลยอํานาจได้มาด้วยวิธีการทางทหารทางการเมืองเดี๋ยวนี้เรีวยกวิธีการทางเศรษฐกิจฉะนั้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องผลประโยชน์ก็ยิ่งมาประสานควบคู่กันไปกับเรื่องของอํานาจ เ, นเมื่ออํานาจยิ่งใหญ่ก็ผลประโยชน์ก็ยิ่งมา และเมื่อมีผลประโยชน์มากอำานาจก็ยิ่งใหญ่ได้เพราะฉะนั้นสองตัวนี้ประสานกันสันหามัณนะแล้วสามทิศฐิแนวทิศอุดมการ์นี่ตัวเนี้เป็นตัวที่โยงไปถึงปัญญานี่ในะระดับจิตใจในี่ยเราแก้ปัญหาเรื่องสัณหามันนะแต่ว่าถ้าแก้สําเร็จต้องแก้ไปถึงตัวทิศฐิซึ่งเป็นเรื่องระดับปัญญาปัญญาก็อย่างที่ว่าความคิดความเชื่อความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ มองธรรมชาติเป็นระบบความสัมพันธ์ที่เรามีส่วนร่วมอยู่เป็นส่วนหนึ่งด้วยไม่ใช่มองธรรมชาติอยู่นอกตัวต่หากจากเราเนีแล้วก็มองความสัมพันธ์กับธรรมชาติในลักษณะที่ว่าอ๋อเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีปรับปรุงระบบความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าไปเป็นศัตรูเป็นปฏิบัติ์กำจัดเอาชนะซึ่งกันและ ก, กั น, นแล้วก็มีแนวคิด ท, ที่เกี่ยวเรื่องความสุขอย่างที่ว่าความสุขของมนุษย์นั้นพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้ความสุขของเรามา จ, จากด้านที่หนึ่งก็คือพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพบำรุงความสุ ข, ข, สขด้านภายนอกแต่ถ้าพัฒนาด้านนั้นมันจะเกิดผลลายเสียดุลเสียดุลก็คือว่าพอได้มากขึ้นภายนอกความสามารถที่จะมีความสุขภายในลดลงก็อย่างที่ว่าเขาเรียกว่าบวกหนึ่งลบหนึ่งไอ้ข้างนอกได้มาเพิ่มหนึ่งไอ้ข้างในหายไปหนึ่งก็ศูนตามเดิม เราข้างนอกได้สองข้างในลบสองก็ศูนเท่าเดิม น, นี้เราต้องพัฒนาคนพร้อมกันทางด้านภายในก็คือความสามารถที่จะมีความสุขอย่กรทั่งว่าคนยิ่งพัฒนาไปยิ่งมีความสุขที่ขึ้นต่อการเสพวัตถุน้อยลงมีความสุขในตัวเองได้มากแม้แต่นอนอยู่บนเตียงเจ็บไข้เสพวัตถุไม่ได้ก็ยังสามารถมีความสุขได้อย่างนี้เป็นต้นนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนพัฒนาที่แท้จริงก็ไปอารติธที่เกี่ยวความสุขอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเปลี่ยนไปก็ เป็นเรื่องที่ว่าเราสามารถพัฒนาได้กรับมาแก้ที่เนี่ยที่ว่าปัญหามาจากหนึ่งระดับพฤติกรรมสองระดับจิตใจสามระดับปัญญาแต่นี่เป็นด้านของอด้านที่เราแยกแบบปัจจุบันเราก็บอกว่าด้านระดับปฏิบัติการแล้วก็ระดับรากฐานความคิดแต่ที่จริงมันมีตัวเชื่อมกับจิตใจด้วยก็พอพูดอีกทีหนึ่งก็คือว่าแทนที่เราจะแนวความคิดใช้แนวความคิดแยกส่วนแากตอนต เขาบอกแล้วเขาเป็นมาตลอดเราก็ใช้แนวคิดแบบระบบสัมพันธ์องค์รวมที่ว่าก็คือว่าการพัฒนาคนจะสําเร็จเองพัฒนาพฤติกรรมด้วยจริยธรรมแบบที่ตะวันตกเรียกโดยได้จริยธรรมต้องเป็นระบบความสัมพันธ์ในชีวิตของมนุษย์ในการดําเนินชีวิตที่มีทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาที่มันเป็นปัจจัยหนุนชื่นกันและกันและต้องอาศัยชึ่นกันและกันนี้ถ้ า, ากว่าเราพัฒนาแบบที่ว่าเนี้ยก็มีทางที่จะ แก้ปัญหาธรรมชาติแวดล้อมได้พดฉะนั้นมันไม่มีทางเพราะว่าเวลานี้การพัฒนาแบบตะวันตกเนี่ยเราเอาอเมริกาเป็นตัวอย่างมีมีเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าอ๋อเอาเ อ, าเอาเปลี่ยนไปก่อนแล้วนี่ขาดไปแล้วยังขาดไปแล้อย่างตอนนี้มีมีต้องมีเอาอย่างนั้นก็ให้ทางโน้ตเปลี่ยนไปก่อนอยุดไว้แล้อยังทางนี้ อ่าแต่โลเปลี่ยนเยอะจริงหล่เปลี่ยนแล้วนะทางนี้พอทานุก็ขาดไปหน่อยไม่เป็นไรเลยพอนขาดไปนิดใช่ไหมไม่ไม่เพราะว่าพออนนี้ทวีหยุดทวียังเดินอยอไดต่อได้ไม่มีปัญหาขยับขยับเบี่ยงบียยอะใกล้จะกดแล้วโอเคดีนะไม่ล ร้องไม่หยดร้รนนอไม่อย่างร้องเหมนอนกันไม่มีบาลานซเลยร้อง แ, แล้แล้องแล้นี่ยมองในแง่ของสภาพปัจจุบันเนี่ยมันก็ฟ้องอยู่ว่าถ้าเราถือเดินไปในทิศทางการพัฒนาแบบนี้หรือโดเยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้ยโลกก็ต้องพินาศแล้วมนุษย์จะต้องแย่งชิงเดียดเบียนขึ้นกันด้วยกันคือมันจะมีความขัดแย้งกันทั้งในทางสังคมและก็ธรรมชาติแบบนี้ แล้วจิตใจคนมันก็จะมีความสุขไได้แล้วก็คนก็ขายความสามารถที่จะมีความสุขอดู่ทีว่าตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือเราเอาสภาพปัจจุบันมันดูมันบอกว่าประเทศอเมริกาเนี่ยจเจริญทั้งพร้อมดังเรีเศรษฐกิจแต่นี้ถ้าเราวิเคราะห์ดูเนี่อย่างที่มีผู้วิเคราะห์ออกมาว่าเวลานี้ประเทศอเมริกาที่ว่าจเจริญทั้งพร้อมเนี่ยมีประชากรทั้งหมดสองร้อยกว่าล้าน ในขณะที่โลกมีประชากรทั้งหมดห0พันล้านคนโดยประมาณก็คิดได้ว่าห้าเปอร์เซนประเทศอเมริกามีประชากรประมาณห้าเปอร์เซ็นตี่ยที่เขามีความสุข พ, พร้อมอย่างนั้นเขาบริโภคใช้ทรัพยากรของโลกสี่สิบเอร์เซนตถ้าคนห้าเปอร์เซ็นตใช้ทรัพยากรเพื่อให้มีความสุขต้องใช้สี่สิเปอร์เซตแล้วเราจะต้องพัฒนา ประเทศอื่นให้มีความสุขอย่างสังคมอเมริกันเราจึงบอกว่าเป็นสังคมที่ดีในความหมายของยุคปัจจุบันแต่ละประเทศนี่ต้องบริโภคสี่สิบเปอร์เซ็นตและจะเอาที่ไหนมาก็จะต้องมีสงครามการแย่งชิงกันแน่นอนหรือไม่งั้นจะต้องอยู่ในระบบการครอบงำซึ่งกันและกันอย่างที่เป็นในปัจจุบันนะฮะหรืออย่างพวกอเมริกันเองในหนังสือเล่มหนึ่งเขเขียนไว้เขาเขียนบอกว่าถ้าจะให้โลกทั้งโลกนี้บรรลุ จุดหมายของอเมริกันบรีมอเมริกันบรีมก็คือความฝันอเมริกันฝันอเมริกันนี่คือความฝันที่จะมีความังพร้อมทางวัตถุในความเจริญก้ามเน้าในสังคมโดยเฉพาะความัพร้อมทางวัตถุอเมริกันบรีม น, นี้เป็นคติสําคัญของอเมริกันนี่อเมริกันเขาก็เขียนไว้อย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าจะให้คนทั้งโลกบรรลุจุดหมายของอเมริกันบรีมโลกนี้ทั้งโลกก็จะกลายเป็นแผ่นดินที่ร้างไปเสียก่อนแล้วเขาว่า ก็แน่นอนมันจะไม่ร้างได้เหี้ยไรเพราะว่าแค่ห้าเปอร์เซ็ตมันบริโภคสี่สิบเปอร์ซคนห้าเปอร์เซบริโภคทรัพยากรสี่สิบเอร์ซนตี้ตอนนี้ถ้าให้จีนแดงซึ่งมีประชากรเป็นพันล้านคนเนี่ยบริโภคสี่สิบเปอร์ซของทรัพยากรของโลกนี่มันไม่ใช่สี่สิเปอร์เซนแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเกือบร้0ยอร์ซ็แค่จีนแดงประเทศเดียวจ ะ, จะเจริญ สร้างพร้อมอย่างอเมริกานี้ก็ประเทศเดียวก็กินทรัพยากรหมดโลกประเทศอื่นก็ไม่ต้องอยู่นี้เราจะอยู่กันยังไง ร, ระบบแข่งขันเมื่อต้องนําไปสู่หายันะแบบนี้ก็คือถ้าโลกไม่หายันะมนุษย์ก็ต้องรบกันหายันะไปดังนั้นมันจึงเป็นความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทิศทางของการพัฒนาเสียใหม่ที่ยอมรับกันแล้วว่าผ่านมาไม่ยั่งยืนแต่จะให้ยั่งยืนก็ไม่พร้อมทั้ง การปฏิบัติและความคิดโดยเฉพาะด้านความคิดที่เป็นฐานนั้นมันยังหาทางออกไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงจะต้องแก้ไขอย่างที่ว่ามาเนี่ยจะต้องปรับปรุงพัฒนาซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าโลกมนุษย์นี้จะติดัอยู่การพัฒนามนุษย์ก็จะต้องเข้าใจความหมายถูกด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ก็จ ะ, จะมองความหมายการพัฒนามนุษย์คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์มาพัฒนาก็จบกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือพัฒนามนุษย์ในฐานะเป็นทรัพยากรเป็นทุนที่จะเอาไปพัฒนาเศรษฐกิจก็จบเข้าแนวทางเดิม น, นั้นก็จะต้องเข้าใจแม้แต่ความหมายการพัฒนามนุษย์ขึ้นใหม่อย่าเพี่ว่าเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเข้าใจชีวิตมนุษย์ความหมายของอิสรภาพคว า, ความต้องการเป็นต้นให้ถูกต้อง ถ้าหากว่าทําได้อย่างนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนก็มีทางเป็นไปได้แล้วก็ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนี้อย่างที่กล่าวแล้วน่าจะเป็นโอกาสให้เราได้มาเริ่มเพราะว่าในขณะที่เรากําลังวิ่งไปตามกระแสการพัฒนาแบบเดิม น, นั้น่ะเราก็กลับตัวยากตอนนี้มันเป็นเวลามันถึงเวลาด้วยที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็รีบแก้ไขแล้วเริ่มต้นให้ถูกต้องแล้วเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย เราประเทศไทยเราก็เป็นตัวเริ่มนี่ตอนที่ลดค่าเงินบาทด้วยจาก2กรกฎาคมปี2540เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวจุดเริ่มต้นของวิกฤตเศรษฐกิจแห่งเอเชียตอนนี้วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียกําลังขยายไปอาจจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกตอนนี้จะเข้าละตินอเมริกานี่ทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นว่าประเทศไทยเป็นตัวตัวกลางเป็นตัวจุดเริ่มเราเป็นตัวจุดเริ่มวิกฤตเศรษฐกิจ เราก็มาเป็นจุดุดเริ่มของการแก้วิกฤตเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาที่ยั่งยืนเราก็จะสามารถมีความภูมิใจและเรามีศักยภาพที่ทําได้คนไทยจะเริ่มหรือไม่ก็ต้องมาชักชวนกันและมีความเข้มแข็งประกอบด้ ว, วรรยปัญญาที่จะสามารถที่จะก้าวต่อไปขอจเจริญก็เหลือคําถามสุดท้ายนะครับก็คือแต่ว่าเออต้องมีมีคุณค่ า, าต่างๆของท่านอาจารย์เนี่ยฮะท่านอาจารย์ ใชเวลารูปเงินเขียนทังหมดเนี่ยเป็นเวลานาน ม, มากน้อยแค่ไหนครับที่ที่เ อ, อมีคุณคภามากมากที่หลายหลายท่านได้อ่านแล้วรู้สึกว่าชอบใหญ่ เ, เลยครัอเลยพรก็บอกไม่ถูกบางเล่มก็ใช้เวลานา น, านคือเอาเฉพาะปัจจุบันก่อนว่างานเขียนไม่ค่อยมีงานเขียนต้องการเวลามากต้องว่างจากเรื่องอื่นและมีเวลาที่ต่อเนื่องด้วย นีขนาดเนี้ยในช่วงปัจจุบันเนี้ยหาเวลาว่าที่ต่อนึ่องเลยยาแล้วก็โมจะไปตรวจชําระบทลอกเทปเพราะฉะนั้นหนังสือระยะหลังเนี้ยที่มีจะเป็นร้อยเล่มหรือเท่าไหาร่ก็ตามเนี้ยแทบทั้งหมดเนี้ยเป็นหนังสือที่เกิดจากงานพูดพอพูดไปแล้วแล้วก็มีผู้ลอกเทปมาแล้วก็ตรวจชําระแล้วก็พิมพ์กันไปเพราะฉะนั้นงานเขียนแทบไม่มีนี้ก็ว่าถึงงานเขียนนี่ก็ อย่างทีว่าแล้วต้องใช้เวลามากก็ยุคก่อนเช่นอย่างหนังสือพุทธธรรมเนี่ยตอนนั้นก็เรียกว่าไม่มีเรื่องภายนอกเข้ามาวุ่นวายยุติเวลาให้ได้เต็มที่เรียกว่าแท้ทั้งวันทั้งคืนอยู่ห้าถ่าว่าเราไม่ไปงานโดยจําเป็นเนี่ยข้างนอกซึ่งปกติก็ไม่ไปนข้อสองก็คือว่าตัดเวลาฉันเวลานอนออกไปซะ ก็ทำตลอดเลยเพราะฉะนั้นก็เมื่อทำอย่างนั้นมีเวลาเต็มที่มันก็ได้งานเขียนด้วยเวลานี้ก็งานเขียนก็เป็นไปได้ยาวันนั้นอาจารย์ชัยวัตรดูจะต้องการถามเรื่องวิธีทำงานครับเรื่องอ่าเรื่อง ท่านถามที่อาจารย์บอกไว้คือในเรื่องของการทํางานในฐ า, าฮะฮะนะที่ที่อาจารย์เป็นนักพิจารณาครับที่ที่อันนี้เมื่อกี้ผมผมข้ามไปไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์เรียนมาทั้งหมดสุดท้ายนะครัคือคีอท่านอาจารย์ได้บอกไว้แล้วว่าหรือว่าท่านอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมในเรื่องของการทํางานในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นนักพิจารณาครับอ๋อหรืหรคือวิธีทํางานเนี่ยไม่มีอะไรมากที่เขียนขึ้นมาหรือทําขึ้นมาก็เพราะหนึ่ง ต้องการให้เกิดความรู้ในความจริงก็เป็นความจริงในระดับของข้อมูลที่แสดงข้อเท็จจริงบนพื้นก็ตามหรือว่าความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ความเป็นไปประวัตศาสตร์หรืออะไรก็ตามอย่างหนึ่งแล้วความจริงที่เราจะพูดว่าเป็นระดับประจักษ์ธรมความจริงที่ธรรมชาติของกฎธรรมชาติในการเขียนนั้นสาระอยู่ที่นี่ก็คือว่าหนึ่งต้องการให้รู้ความ สองก็คือว่าทําไงจะเอาความจริงนั้นมาทําให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ mm hmm. ก็พยายามทําให้ได้เนี่ยให้มนุษย์ได้ประโยชน์ให้อยู่ดีมีความสุขกันเให้มนุษย์อยู่กันได้ดีมีสังคมที่มีสันติสุขอะไรก็ตาม mm hmm. ก็คิดว่าไอ้ตัวเนี้ยอยู่เบื้องหลังแล้ววิธีการทํา ง, งานก็ตามก็คือว่าเราต้องการสองอย่างทั้งนี้หนึ่งต้องการความจริงและให้รู้ความจริงแล้วก็สองก็คือให้ได้ประโยชน์ ให้สามารถเอาความจริงนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาให้ได้รเรือ่องนีก็อยู่ที่อันนี้ของมเดลมาก็ไปโดยกับคถามท้่หมดแล้วครับเหลบยมขอให่านที่เช็คแคปจะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกครับสวัสดีครับ